รอแลวกราบพระอูชาพระกันอิมินาสกาเลนะพุทธังอาภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอาภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอาภิปูชยามะ อาลาหังสมาสัมพุทโธพระวานปุถ àng พระวันตังอภิวาเจมิสวาคาโตพระวัตตาธรมโมธมังนัมัชามิสุบาจิปันโนพระวัตโตจาวะคัสังโข ทางทางนะโมนะโมตจจ่าพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตจจ่าพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตจจ่าพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ เท้าจำบดีพรมเป็นบรมในพรมมาทรงหลิต ท, ที่สักดาวาปลปักทุ่งหมู่พรมน้อมหัดมนัสการประดิษฐานในพรม ควรแล้วจึงบางคมชูนีบาทพระสาจ ด, ดาขอพร อ, อันประเสริฐว่าลาเลิดมโหฬารโลสัตในโลกากิเลส้อยเ็ยังมี โอองพระจอมปราดสุธรรมอันลูจีโปรดปงวงประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าค้าผู้ปรีชาเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัจธรรม เทศนาและวาทเพื่อให้สำเร็จพน้นเก็บปวงชนมนดามีสุสุกเกษสีสมดังเจตนาเถอนนะโมตสะพควาโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 ปุเรตวาอาคตวรังโมขังนาโทวิชนโตโดยยังหิตวาสราทกังหมดหังวเนสุดุการังนามหามิศิราสาทารังพระนราสภาผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีสามสิบทัศนับพบนัดนับชาติไม่ท่วน สเสด็จมาดีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนราสภะผู้เสริฐพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวเป็นนิดพระนาถาทรงปรารถนาโมกษธรรมสระพระราชโอรสและพระมเหสีทั้งสองพร้อมด้วยแว่นแควนแล้วทรงรื่นลมในภัยสนข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนาถาผู้ทรงทําสิ่งที่ทําได้ยากอย่างยิ่งพระองค์นั้นด้วยเสียงกร้าว ตัดสามูรังมหายาโนุโอเปสิโพธิมันเรตตัดสาบุตสาปาเดจาสัพโธทยโยนะมามิหังภควาอาคามเคนาปัญจมารีอสศะสตพันชิตาวานาเสฆาปโต ซปลังคังนมามิตังขันตะวมุนิวโรอตัมหาอนิมิเสวราเสนขคคเนปุนาจันโดวาสานิมิสังนามามิตังวันตามิโซนาเพนาโทดัสตตวาปัติหาริยัง ว่าสาโดโหวิยจังกมีสจังกมังนามามิตังตรนาทิตสังกาโซโลกาโครัตนาไขเลโตเซเสชนังรังเซหีสขราหังนามามิตังพระผู้มีพระภาคผู้ทรงมีพระญาณอันยิ่งใหญ่ได้ทรงเสด็จเข้าใกล้ควงไม้โพธิพฤกษ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งโพธิพฤกนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชนะมารทั้งห้ามีกิเลสมารเป็นต้นจนถึงเทพุตมานเป็นที่สุดพร้อมด้วยกองทัพโดยสิ้นเชิงด้วยอรหัตมรกายานทรงบรุญุตระสามมาสัมโพธิญาณแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพร้อมด้วยโพธิบาลังนั้น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 สเสด็จจงกรมองอาจดุจราชสีนรัตนจงกรมเจดีข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหวพระนาถาเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยสถานที่จงกรมนั้นพระไตรโรกนาถผู้เปรียบเสมือนเสาเขื่อนอันมั่นคงสเสด็จประทับอยู่นรัตน์คระเจดีกล่าวคือเจดีเรือนแก้วยังมหาชนให้สมนั์ด้วยพระรัศมีกล่าวคือพระฉับพันังสี ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระไตโรโลกนาถพระองค์นั้นพร้อมด้วยรัตนครเจดีย์เจดีย์เรือนแก้วนั้นขอนอบน้อมพระธรรมคําสั่งออสอนของพระเจ้าด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโ ย, ยมพุทธบริษัททั้งหลายญาติโยมทั้งหลายวันนี้ได้มีโอกาส ได้มาแสดงพระสัทธธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการรับท่านอาจารย์ทวีอาจารย์ปาร์ทวีเตชวโรท่านเจ้าวาดท่านได้นิมนต์มาแสดงพระสัทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้กับญาติโยมชาวพุทธบริษัทหน้าที่วัดแห่งนี้เนี่ยได้มีโอกาสได้ฟังธรรมในปรารลใน ช่วงเทศกาลที่พวกเราทั้งหลายมาถือศีลบําเพ็ญเนคขมะปฏิบัติท่ามาก็ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนญาโยมด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสมาให้ธรรมทานก็เป็นโอกาสอันดีนับโอกาสบัดนี้เป็นต้นไปขอให้โยมทั้งหลายจงตั้งโยนิโสมรเิการจงใส่ใจให้ดีในการที่จะฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในการฟังพระธรรมคําำำสอนของพระพุทธเจ้านั้นน่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่า ให้พุทธบริษัททั้งหลายมีภิกษุเป็นต้นจนถึงอุบาสิกาเป็นที่สุดนั้นเน่ยเวลาจะฟังว่าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้ตั้งโยนิโสมนัสการความเป็นผู้ที่คิดถูกทางถูกวิธีคิดให้ถูกอบายด้วยความเป็นผู้ฉลาดคิดโดยตั้งมณสิการบอกว่าเราจะฟังว่าธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อจะได้เป็นปัจจัยต่อการที่จะยกตนเองออกจากชาติทุกข์ชราทุกขพยาทุทกขมรณะทุก ที่ไดยกตนเองออกจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความล่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจและก็ความคับแค้นใจให้ได้ขอาการฟังพระสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้ของข้าพเจ้าจงสามารถเข้าถึงพระสัจธ ร, รรมคําสอนของพระเจ้าให้รู้แจ้งอัฏฐะรู้แจ้งธรรมะรู้แจ้งทั้งผลทั้งเหตุแล้วจนสามารถยังสติปัญญาเกิดขึ้นแทงตลอดพระสัจธ ร, รรมคําสอนของพระเจ้า ทำลายกิเลสคือราคาความกำหนัดโทสะความโกรธและโมหะความมืดบอดให้หมดสิน้นจากขมลลขันธสันดานเป็นผู้มีกิเลสนั้นอันตรธานหรือนิพพานไปโดยฉับพันโดยเร็วด้วยเถิดข้าพเจ้าปรารถนาจะเปลื้องตนเองออกจากวัฏฏทุกข์ถ้าตั้งอัธยาศัยอย่างนี้เขาเรียกว่าตั้งโยนิโสมนัสิการได้เป็นอย่างดีนี้เป็นต้นทีนี้สิ่งที่เราท่านทั้งหลายที่จะต้องทําความเข้าใจในการที่จะศึกษาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเนี่ย เส้นทางของพระโพธิยานอันเป็นบ่อกเกิดแห่งพระพุทธคุณนั้นเน่ยพระพุทธคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยถามว่ากรณีที่พระบรมศาสดาบำเพ็ญบารมีสิบอุปปา ร, ปรมีสิบและปรมาธบารมีสิ 10, มาอย่างยากเย็นใช้ความเพียรอย่างอาถรรพ์แก้วกล้าอย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมองถึงเส้นทางอันเป็นบ่อกเกิดแห่งพระพุทธคุณเหล่านั้น เ, นเป็นลําดับก็คือว่า พระบรมศา ส, สดานั้นกว่าจะได้ตัดสู้ปรมาพิเศษสัมมาสัมพธิยานอันเป็นบอกเกิดแห่งพุทธคุณมากมายเป็นอนเนกนั้นนับประมาณไม่ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องทนอุตสาหะต้องอาถรรพ์บำเพ็ญโพธิญาณเนี่ยมีธรรมะที่ยั่งยืนไม่เสื่อมถอยเป็นเวลาอย่างชาแนานอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานั้นทรงเป็นพระพุทธเจ้าประเภทไหนประเภทปัญญาทิฏกะ วิริยะทิกะหรือสัทธาทิกะก็ต้องบอกประเภทปัญญาธิกะคือเป็นประเภทที่ยิ่งด้วยปัญญาเพราะกําลังเห็นปัญญีปัญญาคือความชาญฉลาดนั้นมีความแข็งแรงแ ก, ลกล้ามากจึงปรากฏว่าพระองค์ทรงสร้างพระโพธิญาณบําเพ็ญพุทธบารมีธรรมนั้นหรือบําเพ็ญพุทธภูมิได้อย่างรวดเร็วแม้จะบอกว่ารวดเร็วเนี่ยก็ต้องใช้เวลาถึงยี่สิอสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนกับ การปรารถนาเป็นพระเจ้าด้วยใจเนี่ยเขาเรียกมโนบณิธานเนี่ ย, นนยพระ อ, องค์ตั้งด้วยใจอย่างเดียวนะคือคิดในใจว่าจะเป็นพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าปรารถนาอยากจะเป็นพระเจ้าไม่บอกใครไม่พูดออกมาอันนี้นะคิดในใจอย่างเดียวเนี่ยเ จ, จ็ดอสงไข่อสงไข่ก็คือยังไงวิธีนับก็อาโลกเนี่ย hey ยอมแตกดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในโลกแต่ละใบแตกดับไปแตกดับไปเนี่ยเท่ากับเลขหนึ่งตามด้วยเลขศูนย์ร้รอยสี่ิบตัวนี่เขาเรียหนึ่งอสงไข่ รอบหนึ่งก็คือหนึ่งอสงไขยถ้าเจ็ดอสงไขยก็โรคโลคแตกดับไปนะเจ็ดรอบไม่ใช่เจ็ดเจ็ดใบนะถ้าเราโรคเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแสนแสนกลับก็คือแสนใบแสนใบแต่ น, นี่เจ็ดอสงไขยไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดแสนใบคร <c oughs> รอบด้วยตั้งด้วยเลขหนึ่งตามเลขศนย์สี่ศูนเนี่ยนี้นีเป็นต้นเขาเรียกคำนวณได้ยากและก็ด้วยวาจา อันนี้ตั้งโดยใจอย่างนีนะเจ็ดอสงไขยเปล่งวาจาอีกเท่าไหร่รู้ไหมเจอพระทเจ้าแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยก็ไปเปล่งวาจาต่อหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหมือนท่านแน่นาคตการขอยให้พระเจ้าพึ่งได้ตัสรูุอนุตตรสัมมาสัมพุทญาณเป็นพระเจ้าอย่างท่านอย่างท่านนี้ด้วยโทษอย่างพระเจ้านี้ได้เถิดเนี่ยพระเจ้าก็ไม่พยากรเนี่ยเปล่งวาจากล่าวอย่างนี้ไปเรื่อยๆๆๆอีกเก้าอสงไขย เกบวกเเป็นเท่าไหร่เป็นสิบหกใช่ไหมเป็นสิบหกและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยกายและวาจาทั้งกายและวาจาทั้งการพฤติกรรมกระทําออกมาและวาจาเป่งออกมาด้วยใจที่มีความมุ่งมั่นกายวาจาใจนะอันนี้คือเสียสงไขยนับด้วยแสนมากับเสียสงไขยนี่แหละที่พระพุทธเจ้าของเราไปเจอพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นสุมเมธาดาบด์ ใช่หเราจะมีเห็นรูปภาพเวลาไปตามโบอุโบสดก็ดีไปตามสาราการประเรียนก็ดีเราจะเห็นรูสีตนหนึ่งท่านท่านนอนราบกับพื้นแล้วก็โชว์ศีรษะปนมมือแล้วก็มีพระพุทธเจ้ายืนอยู่แล้วตามได้พิกษุน์ส่อีกหนึ่งแสรูปแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ชี้พระหัตมาที่ฉดินน่ที่รูสีนอนคว่มหน้าอย่เนี้ยที่ถวายอัตภาพเป็นพุทธบูชา นอนคว่ำปนมมืออาราธนาขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบาทของพระองค์อย่าได้เปื้อนฝุ่นอย่าได้เปื้อนโคลนตมเลยแม้เท้าของพระรหัารอีกสี่แสนรูปก็อย่าได้เปื้อนโคลนเปื้อนตมเลยจงเหยียบไปบนศรีรษะและหลังของข้าพระเจ้านี่เธอจงอนุเคราะห์ข้าพระเจ้าด้วย เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าตลอดกาละนานข้าพเจ้าขอถวายอัตภาพนี้ถวายเป็นพุทธบูชายอมกล้าไหมเล่าเวลาพระจะไปบินฑบาตุรีกล้าไปนอนขวางที่มันเป็นท้องล่องที่มันเป็นโคลนเนี่ยได้พระเหยียบแผ่นหลังเราไปได้กล้าไหมเนี่ยกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าต้องถวายอัตภาพลองคิดดูแต่พระสี่แสนรูปเนี่ยยอมไหมเล่าพร้อมได้พระพุทธเจ้าหนึ่งองค์เนี่ย แปลว่าถวายไหมถวายชีวิตเนี่ยข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระรยสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่รลึกจนกว่าจะมีอั ต, ตภาพเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีอวัยวะเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีกายเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีพพเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีชีวิตเป็นที่สุดรอบนี่เขาเรียกถวายเป็นชีวิตเป็นทานมอบอัตภาพถวายเป็น พุทธบูชาทำบูชาสังฆบูชาเหมือนที่พวกเราบอกระพุทธทางสารนังขฉามิทำมังสรนังขฉามิสังคังสรนังขฉามิอ่ะข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยพระธรมรมปริะริยสงเป็นที่พึ่งเป็นที่ลึกเนี่ยขฉามิอ่ะแปลว่าเป็นการมอบจริงๆนะคือต้องการที่จะเข้าไปศึกษาจริงๆนะ เป็นกิริยาในการที่จะน้อมไปศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพุทธธรรมะสังฆะอย่างแท้จริงนี่เป็นอย่างนี้เพื่อให้เข้าถึงอย่างแท้จริงอย่างนี้นั่นแหละก็คือตั้งปัถนารวมเบสเซจก็คือยี่สิบสงไขคิดในใจเจ็ดเปลงวาจาเก้ากายวาจาใจอีกสี่ก็คือถ้านับจริงจรงก็นับสี่สงไข เราก็จะนับกันแบบยอ่อว่าพระเจ้าบำเพ็ญบารมีมาเท่าไรสี่อสงไข่ต่อด้วยอะไรยิ่งด้วยแสนมหากัปคำว่าแสนมหากัปแปลว่าพ่วงท้ายด้วยโลกแตกดับอีกแสนครั้งนี่ท้ายเนี่ยแปลว่าเป็นน้ำจิ้มนะเนี่ยเป็นลักษณะว่าพ่วงท้ายต้องมีแสนกับพ่วงท้ายด้วยแสนกับแสนมหากัปอันเดียวกันก็คือโลกแตกดับไปอีกแสนครั้ง กว่าจะได้มาซึ่งพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์กว่าจะได้มากราบไหว้นะที่ตรงนี้กว่าจะได้มาสวดมนต์กว่าจะไม่มานั่งนุ่งขาวห่มขาวกว่าจะได้นะมันยากแสนยากลาบากแสนลาบากของท่านมหาบุรุษระดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งใหญ่มากหาประมาณไม่ได้พวกเราทั้งหลายคำนวณแค่คำนวณ น, นับก็นับไปทั่วแล้วจะป่วยกล่าวไปใหญ่ การคิดการมนุิการการใส่ใจอย่างเนี้ยมันจะได้เกิดพลังเกิดกําลังใจจะได้ไม่ท้อถอยจะ ไ, ได้ไม่หดหู่จะได้มีพลังใจขึ้นมาบอกโอ้โ oh, ห oh, เนี่ยเป็นบุญยราพของเราแล้วเนาะแล้วเกิดมาทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนศาสนาของพระองค์ยังดํำรงอยู่ยังเกื้อกูลกระแสะชีวิตของเราทั้งหลายให้สามารถได้เป็นบุญตาบุญใจของเราท่านทั้งหลายที่ได้มาลึกถึงท่านผู้ที่อุบลสมบูรณ์ด้วยคุณทีนี้ พระคันธารจนาจารย์เขาก็เลยพันรนาเป็นคนถาบอกว่าจินตตังสะตาสังขคยงังนาวสังเคยยายาจิกังกายวาจาสิกังจาตีพุทธตังสัมปาคมิงบอกว่าพระโพธิสัตว์ของเรานั้นคิดในใจในเจ็ดอสงไขยทำด้วยวาจาอีกเก้าอสงไขย ทำด้วยกายและวาจาอีกสี่อสงไขแสนกับจึงได้ตัสสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนี้ระยะการตั้งแต่ศาสนาของพระพุทธเจ้านู้นนะท่านับอสงไขยนะนับยังไงนับเั้งแต่เริ่มต้นเลยนะตั้งแต่นู้นแหละพระมิ่งมงกุฎปุรณะสักยามุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่ะเจ็ดอสงไขนั่นเป็นการปรารถนาโดยใจ ตั้งแต่พระมิ่งมงกุฎปุรณาสักยมุนีสัมมาสมัมพุทธเจ้าถึงพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระทีปังกรอีกเก้าอสงไขย่ยเป็นการปรากถศหาด้วยวจาตั้งแต่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยทีปังกรสัมมาสมัมพุทธเจ้าจนถึงพระพุทธเจ้าพระปทุมมุตระเนี่ยอีกสอสงไข่เนี่ยตั้งแต่พระพุทธเจ้าปทุมุตระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทิพนาวาัคตสปะอีกแสนกับรวมเป็น สี่สงขายแสนกับเนี่ยเป็นการปรารถนาด้วยกายวาจาซึ่งแยกออกมาเป็นสามการการที่หนึ่งก็คือพระบารมีเริ่มแรกคือตอนที่พระองค์เริ่มตั้งมโนปณิธานปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าต้องรักพุทธภูมิอยู่ในใจนี่แหละนะเอาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนิดหนึ่งพอเป็นเรื่องราวเรื่องคล้ายๆกับพระมหาชนกเรื่องนี้ไปกล่าวไว้ในไหนโหกล่าวไว้ในคัมภี ชั้นหลังเช่นสัมภาระวิบากบ้างหรือเกี่ยวกับในเรื่องของนาถามุนีนะในคำพีหลังๆก็จะกล่าวบอกว่าเนี่ยครั้งแรกเลยนะพระโพธิสัตวานเกิดเป็นคนยากจนอยู่ในเมืองคันธาระยอมรู้จักเมืองคันคันธาระไหมคันดาหารู้จักไหมอ้าบกันนิฐานรู้จักไหมปักกีสถานอ้าบกันนิฐานเคยรู้จักไหม เคยได้ยินข่าวตอนที่เขายิงพระพุทธรูปใหญ่ไหมที่พวกตาลีบันเน่ยเป็นพวกอิสลามที่ไปยึดคันดาฮาเด็กยึดอาฟกานิษฐาปากีสถานได้พอไปยึดเสร็จปุ๊บมันก็จะมีภูเขาใหญ่ลูกหนึ่งแล้วมีพทุทธลูปใหญ่ตอนนั้นออกข่าวกันยอมไม่ได้ฟังข่าวกันมั้งมัวจะดูละครมัง่งอิยอมเนี่ใช่ไหมในยุคนั้นอ่ ะ, อะพวกตาลีบันเขายึดครองแผ่นดินนี้ได้ประเทศนี้ได้ เรื่องนี้เกิดมาได้สักสิบปีนี่แหละแล้วเขาก็เลยประกาศไปทั่วโลกเขาบอกว่ารูปพระพุทธเจ้าอ่ะใหญ่ที่เขาแกะสลักบนหน้าผาบนภูเขาเนี่ยบาบิยานเนี่ยพุทธรูปใหญ่เนี่ยสูงเท่าไหร่สูงห้าสิบสามเมตรอยอมว่าห้าสสาเมตรสูงไหมสูงมากมือมาอย่างใหญ่เลยเขาก็เลยถ่ายทอดสด เอาปืนใหญ่ไปตั้งแล้วเขาบอกเขาจะยิงทําลายพระพุทธรูปนี่ยเพราะเขาไม่นับถือเขาจะยิงพระพุทธเจ้าตอนนั้นชาวพุทธก็เป็นเหมือนเสียงนกเสียงการ้องกันก็แกลกงก็แกล้ยังมีชาวพุทธกลุ่มหนึ่งก็บอกจะไปยึดมั่นถือมั่นทําไมเพราะพระพุทธรูปก็คือก้อนหินเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ความสําคัญกับไอ้ก้อนหินอะไรหรอกให้ความสาคัญที่สาระนูน่นพูดไปนูน่น มีอาจารย์ท่านหนึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอิสลามก็ออกมาให้ทัศนคความเห็นบอกว่าการที่ชาวพุทธทั่วโลกจะเสียใจจะวิพากวิจารว่าการกระทำของตาลีบันเนี่ยเป็นการกระทำไม่เหมาะไม่ควรก็เป็นสิทธิที่จะวิจารณ์ได้วิพากวิจารณ์ได้แต่การที่ตาลีบัน เขาจะทำลายพระพุทธรูกบาบิยานที่สูงห้าบสาเมตรด้วยปืนใหญ่มันก็เป็นสิทธิของเขาที่จะทำได้เหมือนกันเนี่ยพูดแบบนี้นะพูดดูเหมือนดีนะ เ, เ, เพราะเขาทำในบ้านเมืองของเขาเขาไม่ได้มาทำในบ้านเมืองของคนอื่นเนี่ยไปคิดอย่างเงี้ยเห็นไหมชาวพูดฟังก็งงมึนกันแยกแยะไม่ออกก็ไปสำคัญว่าโอ้ไอเจ้านี้พูดดีแต่ที่ไหนได้ไอพูดแบบนี้เขาเรียกว่า พูดแบบสภาพจิตใจที่มีปัญหาคนที่มีจิตใจคิดทำลายสิ่งเคารพนับถือของบุคคลอื่นแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นบนรรพบุรุษของเขานั่นเองทํามาเคารพมานับถือมาเขามีความเชื่อมั่นแล้วเคยทำให้สถานที่ตรงนั้นน่ยเคยเป็นเมืองพุทธมาก่อนเป็นเมืองเก่าแก่เป็นสถานที่ที่พุทธบริษัทเคยเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังทรงกระชอนอยู่จนถึง ต, ต่อมามาเป็นพันๆปีใช่ไหมล่ะเออเนี่ยไอ้กรณีลักษณะมีทัศนะมีความเห็นแบบเนี้ยเขาเรียกว่าสภาพจิตใจเนี่ยมีปัญหาพอคิดว่าเออสิ่งที่ตัวเองไม่นับถือต้องทําลายต้องทําลายแล้วการทําลายก็มองว่านั่นคือการสร้างสารรค์ของเขาเขาบ่าการทําลายคือการสร้างสารรค์ก็ว่างั้นเมื่อทําลายแล้วก็คือจะได้ค น, เ, นเชื่อเหมือนกันนับถือเหมือนกันอะไรเหมือนกันอย่างนี้เขาเชื่อว่านั่นแหละ เป็นการที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยกลมเกลียวสามัคคีกันนี่คือมีทัศนคติที่มีปัญหาทางด้านความคิดอันนั้นไม่ว่ากันเป็นสิทธิ์ที่เขาจะคิดยังไงก็ได้แต่เมื่อเขาทำบอกมาอย่างนี้เราก็จะเห็นว่านี่คือสภาพจิตใจที่ไม่ปกติแต่โดยหลักการจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าสอนไม่ควรเบียดเบียนกันไม่ควรทำลายใช่ไมไม่ควรประทุษร้ายกันนี่หลักการเนี้ย เออเนี่ยพุทธเนี่ยเราใจจะเห็นชัดว่าพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองมาแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็โดนทํำลายไปแล้วตอนนี้ทางองค์การสาธารชณชาติก็ดีทั้งหลายก็เริ่มอยากจะกลับไปฟื้นฟูแล้วก็บูรณนะพระพุทธอง์รูปองค์นี้กลับขึ้นมาใหม่ก็ยังไม่รู้ว่าดำเนินกันไปถึงไหนแล้วเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้พูดได้เห็นความเสื่อมความเจริญพูดถึงว่าเราอย่าคิดว่า พุทธศาสนาในบ้านเราเนี่ยจะมั่นคงถ้าเราไม่สามารถฝังพระพุทธศาสนากล่าวคือศรัทธาเพราะตัวพุทธศาสนาแท้จริงคือความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยเป็นนามธรรมนะตัวความเพียนความเกล้ากล้าอาถรรพ์ก้าวไปใจสู้บากบัน่นอยู่ในเป็นนามธรรมในจิตใจกําลังของสติคือการระลึกได้นะกำกับ กระแสะชีวิตให้มั่นคงสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตปัญญาคือความรู้ความเข้าใจอตรงนี้ต่างหากใช่ไหมตรงนี้เราจะได้เห็นชัดว่าตอนเอาย้อนกลับไปเราให้ชัดขึ้นมาก็คือว่าตอนนั้นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นมานพหนุ่มอยู่ในเมืองคันธาระคันธาระก็คือคันดาหา้าก็คือปัจจุบันก็นี่แหละแถบทางปากีสถานอาฟกานิสถานนี่แหละท่านเกิดมานาที่นั่นเพื่อมาบำเพ็ญบรารมีนะ เก็บผักหักฟืนด้วยตนเองจากป่ามาขายเลี้ยงมารดาเลี้ยงแม่เป็นมานพหนุง่งเลี้ยงแม่อยู่มาวันหนึ่งกําลังแบกของหนักอยู่นั้นถูกแดดเผากะหายน้ําหิวด้วยก็ลงพักที่โคนต้นไทรเขาเรียกต้นนี้โครดก็คือต้นไทรหรือต้นกลางนั่นแหละแห่งหนึ่งลําพึงว่าโอ้ขณะ น, นี้เรยวแรงของเรายังมีอยู่นะเรายังแข็งแรงเรายังเป็นหนุ่มอยู่เราก็พอทนต่อความร้อนได้แต่วันหนึ่ง เราจะแก่เท่าลงเพราะแก่เท่าลงมันจะทนความร้อนไหวไมมเนี่ยพอ้ก็ทนไม่ไหวใช่ไหมเอ๊อยากกันนั้นเลยถ้าเราจะมาทาอาชีพมาหาฟืนไปขายขายเนี่ยมันจะได้ระยะเดียวอยากกันนั้นเลยเดี๋ยวเราจะลงเรือไปสุวรรณภูมิเห็นไหจะลงเรือจากอ่าวอินเดียในยุคนั้นแหละจะมาที่สุวรรณภูมิสุวรรณภูมิแถบไหนสมัยยุคนั้นไม่มีประเทศไทย ไม่มีพ ม, มา่าไม่มีลาวไม่มีกัมพูชาไม่มีอินโดนีเซียไม่มีใช่ไหมล่ะแต่เขาเรียกสวนอภูมิแถบนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือค้าขายท่านก็ลงเรือจากนู่นแหละจากอ่าวอินเดียด้วยแหละมาเลยเนี่ยแต่ตอนที่ท่านมาเนี่ยแม่ขอมาด้วยแม่ไม่แม่ไม่อยากห่างลูกท่านก็เลยเอาแม่ขึ้นเรือมาด้วย ก็ขึ้นมามาระหว่างทางมาได้ถึงกลางทะเลเนี่ยเป็นไงรู้ไหมเรือมันล่มเรือมันอัดปลางแล้วท่านทำไงในเนี้ยคนก็พากันร้องบนบานสารกล่าวตามความเชื่อใช่ไหมคนเชื่อผีก็ขอให้ผีช่วยคนเชื่อเทพเจ้าขอให้เทพเจ้าช่วยคนเชื่อพระภูมิก็ขอให้พระภูมิช่วยคนเชื่อพระพรมก็ขอให้พระพรมช่วย คนมีความเชื่อยึดถืออะไรก็ขอสิ่งนั้นเพื่อจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยตนเองแล้วก็ไม่ขนขวายก็พากันจมตายมองเห็นหรือยั ง, ยงแต่ท่านเนี่ยเป็นอัจฉรยะบุคคลแล้วตอนนั้น่ะท่านขนขวายท่านก็วิ่งไปที่แม่แล้วก็เอาแม่แบกใส่บาแล้วก็บอกว่าแม่แล้วก็เตรียมการทุกอย่างให้เรียบร้อยบอกว่าแม่ ผมจะต้องขวนขวายเอาแม่แบกใส่บาแล้วก็จะพาแม่ว่ายน้าด้วยพละกกำลังหนึ่งกำลังกายของกำลังกายเข้มแข็งอยู่แล้วสองกำลังใจก็ไม่ท้อไม่ท้อไม่ถอดถอยสมกำลังปัญญารู้ทิศทางของลมทิศทางของน้ำทิศทางของพยอายุมีสามกำลังนี่ไหวไหม กำลังกายกำลังใจกำลังปัญญายอมมีกี่กำลังตอนนี้ยอมกำลังกายเป็นไงไม่ดีแล้วกำลังใจยังไหวไหมยังไหวนะแล้วกำลังปัญญาล่ะถดถอยไปเยอะยังโอ้ยถอยไปเยอะอย่างนี้ก็ล้วก็แย่แล้วฉะนั้นการฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต้องการให้เราได้กำลังอะไรกำลังสามกำลังพพุทธเจ้าไม่ได้สอนแค่กำลังใจอย่างเดียวนะ หนึกำลังกายด้วยสองกำลังใจสามกำลังปัญญากำลังกายพระเจ้าสอนไว้ที่ไหนทำท่าไม่รู้อีกเดี๋ยวภาพบอกดีกว่าทังนั้นนะกำลังกายพระพุทธเจ้าสอนไว้หลายแห่งหลายที่าภาษาพาก็เรียกว่าทิฏฐธรรมิกะถ ป, ประโยชน์ที่ตาเห็นประโยชน์ที่ตาเห็นได้ประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในอัตภาพนี้เนี่ยคืออะไรกำลังกายพระเจ้าสอนเรื่องอะไร เรื่องคือให้ดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงรู้จักกินอาหารรู้จักอยู่สถานที่ที่เหมาะสมรู้จักการใช้เครื่องด่งหมรู้จักการใช้ยาที่เหมาะสมแก่สภาพร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงมีกำลังมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอายุยืนยาวนี่ข้อแรกขยายยังข้อแรกเลยมีหยุดครั้งหนึ่งพระเจ้าปเสนที่กลนเนี่ยพระเจ้าปเสนที พระเสิทธ์ที่โกศลเนี่ยรู้จักพระเจ้าประสิทธ์ที่โกศลไหมไม่รู้อีกเอามาเล่าอยู่คนเดียวก็ไม่ไม่เป็นไรยอมก็ตามตามไปก็แล้วกันพระเจ้าประสิทธ์ที่โกศลเป็นพระเจ้าแผ่นดินคองแฝ น, น, นโกศลแฟนโกศลมีเมืองหลวงคือสาวัตถีในสาวัตถีเนี่ยเป็นที่ตั้งของวัดที่พุทธเจ้าเจ้ามาสานานที่สุดเขาเรียกวัดเชตวัน 19พรรษานานไหมจำพรรษา 19, สาิบเก้าพรรษานานไม่นานแล้วก็ไปอีกข้างๆกันนั่นแหละเดินไปไม่ไกลเท่าไหร่อันนั้นเรียกวัดปุปพารามนั้นจำพรรษาอีกหกพรรษาหกบวกสบเก้าเป็นเท่าไหร่โอ้โหนะับหาเท่าไหร่ <25. S 1> เออยี่สบห้าเอาใครคิดได้เร็วคนนั้นจะรวยอย่างนี้โอ้ยอมรีบคิดกันใหญ่ได้แบบนี้ เออในี่ก็แสดงว่าจำภาษาอยู่นานมากที่แฟนโกศลใช่ไหมที่้าปีพระเจ้ามีพระชนมายุ8ปสิบหลังตัดสรู้แล้วจาริกในการประกาศพระธรรมคำสอนอยู่4ี่สิบห้าพรรษาในสี่ิบ้าพรรษานั้นน่ะจำภาษาที่สาวถีไปแล้วยี่สิบห้านานไม่เล่ายสบ25แต่ออกภาษาระจาริกไปที่อื่นนะเฉะพาะในภาษาก็จาริกมาอยู่นาะที่ สาวัีฉะนั้นที่ตรงนั้นก็เป็นที่ในสาวัถีเป็นเมืองหลวงของฟ้านโกศลมีประชากรเจ็ดสิบล้านเจ็ดสิบล้านนี่เยอะไหมในเจ็ดสิบล้านนั้นเป็นพระอริยะห้าสิบล้านห้าแสนคนเยอะไหมประเทศไทยมีประชากรเท่าไหร่เจ็ดสิบกว่าล้านมีพระอริยะกี่คน อย่าว่าพระ อ, อริยะเลยมีพระภิกษุประมาณสามแสนรูปไม่มีแค่นั้นเองอะ่ะอันนี้ไม่ได้นับว่าเป็นอริยนะนะเอาแค่พระบวชพอออกพรรษาก็เหลือแสนกว่ารูปมีแค่นี้แหละมีวัดอยู่สามหมื่นกว่าวัดในยุคในยุคที่ประเทศจีนเจริญรุ่งเรืองหลังจากรับพุทธศาสนาเข้าไปแล้ว มีอยู่บางยุคเนี่ยมีภิกษุสงฆ์ในประเทศจีนอยู่สองล้านมีวัดอยู่ห้าหมื่นกว่าวัดเยอะไหมแล้วตอนนี้มีไหมประเทศจีนพุทธศาสนาในจีนหมดหรื อ, อยังไม่เหลือเกลี้ยงแล้วฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยมีพระแค่แสนสองแสนสาแสนรูปเนี่ยเอยอะเลยเตรียมท่องน้ำโมไวเ้เถอะเดี๋ยวก็เรียบไม่เหลือแต่ยอมอาจจะไม่ค่อยรู้สึกหรอก ชาวลังกาเนี่ยเขาโหยหาพุทธศาสนามากไปนาที่ไหนตามวัดต่างๆก็จะใส่ชุดขาวเต็มไปหมดเต็มไปหมดจริงๆช่วงเทศกาลวิสาขามาฆาณิทั้งประเทศแต่ละที่แต่ละที่เขาไปจองที่ฟังธรรมกันเนี่เป็นแสนๆพาลูกพาหลานจูงลูกจุงหลานมาทำไมเขาโหยหา แต่สมัยหนึ่งตอนที่อังกฤษปกครองเขาเป็นเลยร้อยปีเขาไม่มีพระไม่มีพุทธศาสนาแล้วเขาว้าเวเขาไม่มีที่ยึดถือไม่มีที่พึ่งไม่มีสารณนะเขารู้ไอรสชาติของการไม่มีนักบวชรสชาติของไม่มีวัดรสชาติของไม่มีรศาสนาเนี่มันว้าเวขนาดไหนพอต่อมาเขาก็มารับพุทธศาสนาไปจากประเทศไทยนี่แหละ สมัยอยุธยาสมัยยุคพระเจ้าบรมโกศนี่แหละอายุ ข, ของพระอุบาลีพร้อมด้ยคณะไปประฏิสานพุทธศาสนาใหม่ในครั้งอยุธยาเนี่ยโอ้โหพอก็ได้พุทธศาสนากลับไปใหม่เขารักพุทธศาสนาเขาเขาหวงแหนปกป้องไอ้คําว่าแกงจืดรรู้คุณเกลือเนี่ยเขาใจยังตอนนี้เราไม่เคยขาดเกลือมันเลยไม่รู้ ถ้าวันใดวันหนึ่งมันขาดเกลือขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันกินอาหารไม่อร่อยถ้าวันใดวันหนึ่งเราขาดพุทธศาสนาในจิตใจเมื่อไหร่เราจะรู้รสชาติของการขาดที่พึ่งขาดสารณะสภาพจิตใจของเราจะว้าเหวงงอหง อ, งหงอยเศร้าซ้อยตอนนี้ประเทศจีนเป็นแล้วประเทศจีนเหมือนมังกร อ, องรตัวใหญ่ๆปัจจุบันเนี่ยเขาสถิติเขาบอกว่าประเทศจีนเนี่ยมีคนรวยเนี่ยระดับหลายพันล้านเนี่ย ประมาณสอง้อยล้านคนเขามีประชากรพันกว่าล้านแต่ตอนนี้คนจีนไม่มีอะไรไม่มีศาสนาไม่มีวัฒนธรรมไม่มีประเพณีเพราะถูกทำลายด้วยละทิคอมละทิเหมาอภิกรรคานมากนี่ไงแต่ทุกวันนี้เขาอยู่อย่างอะไรไม่มีสาระไม่มีที่พึ่งวิ่งไปทั่วเขาค้นหาตัวเองไม่เจอคนยุคใหม่ของจีนเนี่ยไม่รู้ วิ่งอ่ะปมาเหมือนมังกรตัวใหญ่ๆแต่ข้างในมีแต่โรคเต็มไปหมดเลยเนี่ยไม่มีที่พึ่งนั้นถ้าแก่นรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีมันพังเมื่อไหร่เรียบร้อยเลยเราก็จะไม่มีที่พึ่งเหมือนกันไปเนี่ยประเพณีที่เรารักษากันเนี่ยนุ่งขาวห่มขาวฟังธรรมเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีแต่เปลือกสาระไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยมันยังรักษามีมองอู้ยังมีที่พึ่งหน่อยก็ไปวัดไปวัด มาสวดมนต์สวดมนต์ไม่รู้เรื่องบ้างรู้เรื่องบ้างมันยังพอได้ใช่ไหมยังพอได้เออพูดอย่างนี้เข้าข้างใจยมหน่อยนิดนึงเพราะมันยากมากการที่จะเข้าถึงสารธรรมเนี่ยนะเอาเปลือกเอาไว้หน่อยเอาประเพณีเอากระพี้เอาไว้หน่อยมันก็มันยังดีอยู่เพราะงั้นเอะไอ้ เ, อเปลือกกระพี้ประเพณีวัฒนธรรมมันก็รักษาเนื้อในแก่นของภาษาศาสนาไว้ได้ระดับหนึ่งเพราะงั้นเอะหรือใครต้องการเจาะเข้าหาแก่นหาสาระมันจะได้เข้ามาหาเปลือกแล้วก็เจาะเข้าหาสภาวะได้ เนก็เป็นประโยชน์ระดับหนึ่งอันนี้อาอมาก็เลยเล่าตเตลิดไปใหญ่เลยเดี๋นี้เอาวกกลับมาใหม่เอามาเล่าขึ้นใครมานบดนมแบกแม่ <c oughs> นี่ความจุดบ อ, อ, อดเขาอาจจมาอยู่ตรงเนี้ยเออเรือล่มแล้วก็เอาแม่ใส่บาแล้วก็แบกแล้วก็บอกว่าตนเองเนี่ยมีมีความเชื่อมั่นมีกำลังของความ ก, วกล้ามีสติไม่เพ้อเลย มีสมาธิความตั้งมั่นมีความอดทนก ล, กล้าๆอาถรรพ์ไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านมีปัญญาในการที่จะอาศัยทั้งคลื่นลมแรงล ม, ลมทั้งหลายจะต้องไปถึงฝั่งให้ได้ให้แม่เกาะให้แน่นตนเองก็ว่ายอยู่อย่างนั้นแหละไหวไหวไหวไหวหนึ่งวันผ่านไปสองวันผ่านไปสามวันผ่านไปก็ไม่ยอมท้อจนวันที่เจ็ดพอวันที่เจ็ดเนี่ย ตอนนั้นในสุทาวาสพรมยอมรู้จักสุทาวาสไหมสุทาวาสเป็นที่อยู่ของผ้านาคาผ้านาคาเนี่ยจะอยู่ในชั้นเนี่ยอวิหาอตตปาสุทัสสาสุทัสีสสสอกติฐาวเวลาเราสวดธรรมจักรกับบริวัตินสสใช่ไหมเคยได้ยินทางตรงนี้ไหมได้ยินนั่นแหละห้าชั้นเนี่ยผ้านาคามีเป็นพรมเป็นพระพรม ไม่ใช่พระคําว่าพระพรหมนี่คือเทวดาเทวดาที่มีอนุภาพมากกว่ามากกว่าเทวดาธรรมดาเขาเรียกพระพรหมพระพรหมเนี่ยคนไปนับถือกันว่าเป็นพระพรหมสร้างโลกแต่จริงๆไม่ใช่พระพรหมเหล่านี้ที่ไปอยู่ในสุดท่าวาสแต่ร้วนแต่เป็นสาวกของพระเจ้าในอดีตทั้งนั้นเป็นพระอริยะบางท่านก็เป็นพระรหันบางท่านก็เป็นพระนาคาอย่างต่ําต้องเป็นพระนาคากับพระราหันมีสองย่ำพวก คนไม่มีคนจะมีสิทธิ์ไปอยู่ในสุดท้าวาสพรมได้ต้องเป็นพผ้านาคาที่มีชานสมาบัตินอกจากมีชานสมาบัติไม่พอนะจะต้องมีพวกสัตทินรียแก่ก้ามีวิริยินทซีแก่ก้าสเินทรียสมาเิน ร, รีปานิซียก็คือมีอินทรีห้าอย่างใดอย่างหนึ่งมีกําลังถ้าสัตทินรียแก่ก้าก็อยู่ในชั้นอวิหาวิริยินรียแก่ก้าก็าาปอยูนชน า, า้นตปาสเตนรียแก่ก้าก็สู่สอวิหาตาปาสุทธาษา แล้วถ้าหากว่าสมาธินีแก่ก้าก็อยู่สุทศัศสีปัญญีนีแก่ก้าก็อยู่ในอคติฐาเงี้ยนะีจะไล่ลำดับอย่างนี้ท่านก็มียานอย่างรู้ฟึบมองลงมาในโลกมนุษย์ด้วยยานด้วยปัญญาของท่านด้วยด้วยฤทธิ์ของท่านเห็นใครเห็นมานบเนี่ยแบกแม่ไหว้วนะ้ำปปื๊ดปืดปดปดอยู่เนี่ยด้วยความบากบั่นมุ่งนั่นมุ่งมั่นเนี่ยท่านก็นึกตกใจโอ้โหเนี๋ยนานๆเราจะเห็นมนุษย์สักคนที่มีศักยภาพ เพราะปกติเนี่ยมนุษย์ส่วนใหญ่ยอมแพ้ต่อโชคชะตายอมจำนนมบางคนเนี่ยเป็นคนยอมจำนนยอมเป็นแบบนั้นไหม ย, ยอมยอมเป็นคนยอมจำนนไหมต่อโชคชะตาไหมเราเกิดมาโจนแล้วก็ยอมรับกรรมไปเถอะเราเกิดมามีป่วยก็ยอมรับชะตากรรมไปเถอะมันเป็นมันเป็นบาปประกา ร, รของเรา เราเกิดมาแล้วต้องมาได้ลูกอย่างนี้ก็ยอมรับมันไปชดใช้กรรมไป่เงี้ยมาได้สามีอย่างนี้ก็ชดใช้กรรมไปมาได้พ่อแม่อย่างนี้ก็ชดใช้กรรมไปไม่ได้ลูกอย่างนี้ก็ชดใช้กรรมไปไม่ได้เพื่อนบ้านแบบนี้ก็ชดใช้กรรมไปไอการคิดลักษณะนี้ยอมคิดแบบนี้ไหมถ้าคิดแบบนี้เขาเรียกว่ายอมจำนนตต่อโชคชะตาชีวิตคนประเภทนี้บรรลุไม่ได้เขาห้ามบรรลุเพราะอะไร พอเป็นคนยอมจำนนต่อโชคชะตาฉันเกิดมาฉันมีกรรมฉันก็ยอมจำนนมันไปเกิดมาจนฉันก็ต้องจนตลอดชาติเกิดมาเกิดมาเกิดมาเนี่ยมีลูกแบบนี้ก็ยอมจำนนนปะรับใช้มันไปรับใช้สามีรับใช้ลูกรับใช้ภรรยานเนี่ยก็ยอมจำนนลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นลัทธิชดใช้กรรม ภาษาของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปุกเพกต่เหตุวาทะยอมก็ยอมเป็นไม่ถามจริงยกมือที่เคยเป็นแบบนี้เอาลยกมือที่ยอมจำนวนต่อโชคชะตาชีวิตนี่ยยกมือที่ยอมผมมีเป็นอยู่คนเดียวเลยเอา <c oughs> วิธีการถ้าจะเป็นพุทธเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจริงๆหรือเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าค่อยคิดแบบไหน ให้คิดบอกว่าฉันไม่ยอมจำนวนหลอกฉันจะสู้ฉันจะมีความจงใจตั้งใจในการที่จะฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจช่องทางนี้ไม่ได้ฉันจะไปช่องนี้ช่องนี้ไม่ได้ฉันจะไปช่องนี้ช่องนี้ไม่ได้ฉันจะไปช่องนี้สักวันหนึ่งฉันจะต้องประสบความสาเร็จให้ได้ถ้าอย่างเงี้ยเออเนี่ยลักษณะแบบนี้แหละมานบหนุมเป็นคนแบบนี้ เออพอพอพอสุดท้าว่าสพรรมเห็นอย่างนั้นอือหึนานๆจะเจอมนุษย์แบบนี้อยากกันนั้นเลยกระตุ้นความคิดให้ปรารถนาเป็นพระเจ้าเลยดีกว่าเข้าใจยังเทวดาก็เลยกระตุ้นความคิดเลยนะด้วยกำลังฤทธิ์ของตนเองกระตุ้นให้มีความรู้สึกว่ามันมีช่องทาง ท่านมีความเกล้าความมีเชื่อมมีความเชื่อมั่นอยู่แล้วต่อความดีต่อความกล้ากล้ามีความอาจหรนกล้ากล้าอยู่แล้วเป็นคนไม่ฟันเฟือนเลือนหลงอยู่แล้วเป็นคนมีความอดทนแข็งแกร่งอยู่แล้วเป็นคนมีปัญญาอยู่แล้วกระตุ้นให้มีจิตน้อมน้อมมาในพุทธคุณน้อมมาในถึงมะพราะกระตุ้นความรู้สึกอย่างนั้นปุ๊ขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นอะไรรู้ไหมภาษาภาคเขาเรียกว่าเป็น ปัจจยอุปะยะปาปะกตปนิสยปัจจัยเป็นปันจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกําลังอุปนิสยปัจจยะสะติเป็นปันจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกําลังกระต้นเตือนโอ้โหมีพลังขึ้นมาเลยท่านก็เลยตั้งจิตเลยแต่เนี้ยนะทีนี้พอว่า้ข้ามมหาสมุทรแล้วเนี่ยเออพอเห็นอย่างนั้นท่านก็คิดไง พอกระตุ้นเตือนมานบนี้แล้วมหาบุรุษนั้นมีความเพียรมั่นคงมีอัธยาศัยช่วยเหลือคนอื่นพร้อมก็เขาเรียกเขาเรียกพร้อมดนใจอ่ะเราเลยพูดกันจนทุกวันเนี้เออเทวดาดนใจเนี่ยอันดับแรกที่คิดจริงๆเนี่ยเป็นสะสางขาริกนะมีคนอื่นดนดนใจเกิดความคิดมาในใจบอกว่าเราตัดสู่แล้วจะให้ผู้อื่นตัดสู่ด้วย เราพ um oui, yep, ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วยสามประโยคนี้ติดในใจเลยเนี่ยเขาเรียกพรอมดลใจให้คิดเราตัดสู้แล้วจะให้ผู้อื่นตัดสู้ด้วยแปลว่าอะไรอะถ้าตัดสู้เป็นพรธเจ้าแล้วจะช่วยคนอื่นใน้ตัดสู้เป็นพุทธะตามท่านด้วยเราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วย เราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วยพ้นคือพ้นอะไรพ้นจากกิเลสและกองทุกจะให้คนอื่นพ้นด้วยข้ามก็คือข้ามสังสารวัตข้ามโอคะโอคะก็คือห้วงน้ําคือกิเลสคือวตัตตะสงสารเนี่ยข้ามกามโมคะพระโวคะที่โถกวิชกข้ามได้แล้วจะให้สัตว์อื่นข้ามได้ด้วยชัดไหมแต่เนี้ยโอ้โหยได้แรงดนบรรดาลใจเนี่ยทันวายอีกสองสามวันก็เข้าถึงฝั่งได้แล้วก็ ดูแลมาดาจนจนสิน้นสิ้นชีพสิ้นอายุนั้นเป็นการตั้งปรารถนาเป็นพระเจ้าครั้งแรกเขาเรียกว่าปฐมจิตตุ ป, ปาทกาละเป็นการตั้งปรารถนาเป็นพระเจ้าเขาเรียกมโนปณิธานเขาจะอย่างนี่ตั้งครั้งแรกเห็นไม่ได้เหตุปัจจัยเงี้ยตั้งพวกเราเป็นคนมีความมุ่งมั่นไหมว่า เราจะตัดสรู้ตามพุทธเจ้าให้ได้ตั้งไหมตั้งไม่ตั้งฮะตอนที่มานอหนมเนี่ยท่านตั้งนะนะตอนนั้นท่านเป็นหรือยังท่านเป็นพุทธเจ้าหรือยังถ้าไม่มีตั้งครั้งแรกจะไม่มีตั้งครั้งสองคนบางคนไม่กล้าตั้งแม้ครั้งครั้งแรก บางคนเนี่ยยอมจำนนต่อโชคชะตาชีวิตไม่ยอมที่จะพลิกผันชีวิตเลยอยู่ยังไงก็อย่างนั้นแล้วก็จมแล้วก็ตายไปไม่มีประโยชน์อะไรเลยเกิดมาสักแต่ว่าหายใจทิ้งแท้จริงไหมไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยแต่บางคนเขาไม่คิดอย่างนั้น <c oughs> ยอมพูดอย่างนี้ยอมเหนื่อยใจหัหย ยอมคิดว่ายอมยังมีพลังที่จะปลุกตัวเองขึ้นบ้างไหมเนี่ยฮะมีไหมมีไหมเฮ้ยทํไมถ้ า, า, ถ า, างั้นพระเทศก็ไม่มีประโยชน์อะไ ร, ระแล้วที่อาตมามาพูดเนี่ยพอจะเป็นประโยชน์กับโยมบ้างไหมโยมสงสัยใช่ไหมพระมาปลุกระดมอะไรเนี่ยคิดงั้นหรือเปล่า ให้โยมเนี่ยได้รู้ศักยภาพความเป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาหรอกถ้ามันพลิกไปอีกมุมไม่ดีมันก็ไปไม่ดีเลยนะแต่ถ้าพลิกไปในมุมดีมันยิ่งใหญ่มากแล้วมนุษย์เนี่ยแต่เราเนี่ยมาจําเจกับวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่มันไม่ถูกไนงะคนบางคนเนี่ยบอกค่อยเป็นค่อยไปเนะี่ยไม่เคยสําเร็จสักลาย ไม่เคยสำเร็จสักหลายแต่คนบาคนบอกว่าฉันจะทําวันนี้ฉันจะเปลี่ยนนะฉันจะทําทันทีในวันนี้ในขณะนี้แหละคนประเภทนี้ยประสบความสําเร็จเอาผ่านมาแต่เนี้ยความปรารถนาในการที่จะเป็นพทะเจ้าทุกๆชาติที่เกิดแล้วก็ได้พบพระพเจ้าอีกตั้งโอ้ยผ่านมาทุกอัตภาพเห็นไห ม, มาจากการตั้งครั้งแรกถ้าไม่มีครั้งแรกจะมีครั้งสองไหม ไม่มีหรอกมนุษย์มันมีจากครั้งแรกมันจะมีครั้งสองสามสี่ห้าถ้าไม่คิดปรารถนาจะพ้นทุกมันจะไม่อยากพ้นทุกถ้าไม่คิดปรารถนาอยากจะสวดมนต์มันจะไม่สวดมนต์มันไม่เกิดขึ้นลอยๆในชีวิตเนี่ยมันต้องตั้งใจทั้งนั้นแหละถ้าไม่คิดปรารถนาจะรักษาศีลมันไม่มาหรอกมันก็ได้แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอยู่นั่นแหละของทุกอย่างมันต้องมีครั้งแรก กาเด็ดเดียวครั้งแรกมันจะมีสองสาสี่ห้าทำดีแล้วทำชั่วเป็นเหมือนกันหมดเหมือนเราคนไปกินเหล้าอะ่ะมันมีครั้งแรกไปโซบะรีกินหมากมันมีครั้งแรกเท่งนั้นแหละมันยงมีครั้งนับไม่ถ้วนมันจะถึงทุกวันเนี้ยถ้าไม่มีครั้งแรกมันมีครั้งสองสามสี่ชั้นใดาการทำความดีก็เหมือนกันมันต้องมีครั้งแรกแล้วก็ไล่มาเรื่อยนี่เป็นอย่างนี้พระเจ้าก็เหมือนกันตอนนั้นบำเพ็ญบารมีมีปฐม จิตตุ ป, ปาทากาละการตั้งปฐมมจิตครั้งแรกที่ปราถนาเป็นพุะเจ้าโอ้โหมีพลังเล ย, ยเนี้นักเขาก็ตั้งใหญ่ผ่านพุทธเจ้ามาเท่าไหร่หนึ่งแสสองมืหพันพระองค์โอ้โหนับพบชาติไม่ท้วนเลยผ่านพุทธเจ้าแล้วแล้วเาแล้วแล้วเรมาเพียบนับได้เจ็ดอสงไขยเลยในคำพีอภทาน พุทธาประธานไปเปิดดูสิเรนเจแม้เราก็ปรารถนาความเป็นพุทธเจ้าในพุทธเจ้าแต่ปางก่อนทั้งหลายด้วยใจเท่านั้นมาแล้วนับไม่ถ้วนท่านบอกท่างคิดในใจนะต่อหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านคิดปรารถนาเป็นพพุทธเจ้าเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าพบปรารถนาแต่ไม่ได้พูดออกมาเนี่ยในพุทธเจ้าที่ผ่านมานะนับไม่ถ้วนเพื่อการตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ว่างั้นเดี๋ยวอู้เคยปรารถนาด้วยใจมันนักนักอนักแล้วยอมเคยยอมเห็นพระพุทธเจ้าปุ๊บยอมคิดไหมว่าเราจะเป็นพุทธะตามท่านให้ได้ทุกครั้งต้องทําอย่างนี้นะแปลว่ายอมนี่ตั้งปรารถนาด้วยใจเขาใจยังเห็นปุ๊บไม่ได้และปรารถนาจะพ้นทุกตามท่านได้ได้จะฝึกจากมนุษย์ธรรมดาเป็นพุทธะตามพุทธเจ้าให้ได้ทุกครั้ง เห็นพระพุทธเจ้าทุกครั้งมองพระพัร์พระพุทธเจ้าทุกครั้งกราบพระพุทธเจ้าทุกครั้งที่คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดอย่างนี้ทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งมีพลังมว้แล้วไม่เหลือเวลายอมคิดอยากจะมีโลกอะยอมคิดกี่ครั้งคิดอยากจะแต่งงานเนี่ยยอมคิดกี่ครั้งคิดถึงโลกคิดถึงสามีคิดถึงภรรยาเนี่โหคิดจนนับไม่ถ้วนจะไม่คิดได้ล่ะใช่ไหมแล้วมันก็มาจากการคิดนี่แหละคนที่อยู่ที่จะแต่งงานไม่ใช่ปุ๊บ ไปแต่งเลยนะไม่ใช่หรอกคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกไอ้นี้มันจะดีไหมวะคิดอยู่เงั้นั่นแหละใช่ไหมลอนี่ไม่เข้าใจนะยอมเนี่ยมันต้องคิดบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมันถึงจะเป็นการกระทาออกมาไม่ใช่อยู่ๆมันไม่คิดบางคนคิดแล้วท้อแต่คิดให้จจะคิดให้ผิดหวังคิดยังไง พอคิดว่าเออเราจะต้องพ้นทุกข์ให้ได้สงสัยไม่ได้แน่เออเราจะพ้นทุกข์ให้ได้สงสัยไม่ได้แน่สงสัยไม่แน่โอยเราคงไปไม่ถึงโอ้เราคงไปไม่ถึงโอ้เราคงไปไม่ถึงมันก็ไม่ถึงเขาหย่างใครเป็นคนทำลายความคิดเราเตัวเองนั่นแหละไปทำลายคนประเภทนี้ล้มเหลวก็เป็นเ้าเรียกว่าเป็นสัตว์ที่เฝ้าไปดินไปเรื่อยๆ ฉันพูดหนักไปหรือเปล่าวันนี้หนักไว้ไหมยอมสะดุ้งสะเทือนกันบ้างไหมเนี่ยฉันพูดไปพูดมาฉันไม่ได้ปลุกเล้ายอมนะฉันปลุกเล้าตัวเองฉันกลัวฉันเวลาฉันมาบรรยายธรรมะเนี่ยกับหมู่พุทธบริษัททั่วๆไปเนี่ยฉันกลัวที่สุดคือฉันกลัวตัวเองจะเป็นเหมือนคนที่ฟังโอถ้าเป็นเนี่ยท้อตายเลยใช่ไมโยง ถ้าเป็นถ้าฉันเป็นอย่างยอมยินยุ่งเลยนะฉันบอกว่าโอ้เราคงเลิกไม่ได้แน่มากใช่ไหมล่ะฉันจะไม่คิดแบบนี้เด็ดขาดเลยฉันกลัวความคิดแบบนี้มากโอ้เราคงรักษาศีลไม่ได้แน่นอนเนี่ยเนยฉันจะไม่เอาฉันจะนึกในใจว่าได้คนอย่างเราต้องทำได้และทำได้ดีด้วยและฉันจะมุ่งมั่นในการทำอย่างติดต่อและต่อเนื่อง ถ้าไม่บรรลุมรรคผลนิพพานจะไปหยุดความเพียรอย่างเด็ดขาดฉันจะคิดกันอยู่นี่เรื่อยๆเพราะความคิดเราไม่ต้องไปรับจ้างใครนี่นั่นคิดได้ตลอดนี่คือกล้าที่จะคิดกล้าที่จะคิดกล้าที่จะมาราิการกล้าที่จะคิดคิดบ่อยๆๆนั้นเกิดท้องอะไรฉันก็คิดคิดคิดอยู่คิดคนเดียวอุ้ยสบายฉันก็คิดไปเรื่อยๆมีพลังไหมเล่าโอ้โหออกมาฉันก็หน้าตาผ่องใสตื่นเต้นเขาถามว่าเป็นอะไร คิดอยากจะพ้นทุกมีความสุขมากถ้าคิดว่าโอ้สงสัยพ้นทุกไม่ได้นี่เครียดกินเลยแต่ก่อนนะคิดจะพ้นทุกเครียดในพอคิดไม่พ้นทุกก็มีความสุขแต่ตอนเนี้ถ้าคิดจะไม่พ้นทุกอะเครียดเลยแต่ถ้าคิดจะพ้นทุกเรามีความสุขเห็นไหมมันกลับกันแล้วเพราะฉันไม่ได้คิดครั้งเดียวฉันคิดบ่อยๆอย่างนี้เป็นต้นยอมทําได้อะยังยอมอยากเรียนแบบหรืออยากเรียนรู้ เ, ออเรียนรู้ดีกว่าเรียนแต่ใหม่ใหม่เรียนแบบไปก่อนนี่นี่เขาเรียกว่าตอนเบื้องต้นที่เขาเรียก ค, คิดในใจอย่างเดียวเจตปรงสงไข่อะต่อเดี๋ยวจะไม่จบยอมก็ถ้าฟังวันนี้ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พระท่ า, านบันทึกเทปไว้ให้แล้วก็มาฟังต่อเรืเ่อยๆ เ, เ, เ, เ, เ, เ, เวลาใดทอ้อ เวล า, ลาเวลาไรหดเวลาใดหดหูท้อถอยหงอเหงาเศร้าซึมก็เอามาฟังโอ้ครั้งหนึ่งในชีวิตเรามานั่งพระรูปหนึ่งท่านพูดตรงเนี้ยที่วัดกระทุ่มทองนี่แหละว่างั้นนะท่านกระปลุกเล้าเราเหลือเกินไม่รู้ท่านเห็นอะไรเนี่ยนะทาไมท่านมากระตุ้นเตือนความคิดของพวกเราเหลือเกินไอเราก็ไม่อยากจะไปไอท่านก็อยากจะให้เราโขดขนขวายในการที่จะพ้นทุกข์เราก็ทําตัวเหมือนแมวเลยอะ แมวเป็นยังไงยย่แมวเป็นยังไงอ่ะแมวมันเป็นธรรมชาติยอมรู้ไหมว่าแมวมีธรรมชาติยังไงใช่แมวมันเป็นธรรมชาติดือ้อมันจะดือด้อดื้อเาเรียกดื้อกี่ด้านเนาะดื้อสี่ด้านแนวยอมลองดึ ง, ง, ดงมันนะมันจะย่นไปข้างหลังดึงดึงหน้ามันมาดึงหู ม, มาถ้าดึงหางมันมันจะตะกุยไปข้างหน้าถ้าดึงท้องมันมันจะโก่งขึ้นข้างบน ถ้าดึงข้างบนมันจะเกาะแอนท้องมันลงแมวนี่ดื้อสี่ด้านเลยงั้นถ้าจะดื้อก็อย่าไปดื้อเหมือนแมวเอา้าจะฟังต่ออย่างฟังนะเชี่ยวทยมตั้งใจฟังแล้วยมจะได้ประโยชน์วันนี้ อันนี้เป็นช่วงแรกเจตอสงไขยช่วงที่สองช่วงที่สองนี่เขาเรียกว่าช่วงตอนกลางตอนที่พระพุทธเจ้าเริ่มตั้งวจีปณิธานออกจากโอทออกจากปากเนี่ยปราถนาพุทธภูมิปราถนาเป็นพระเจ้าในสมัยพระเจ้าสาคราราชบรมจักรเป็นจกักรพรรดินะ ต่อหน้าพระพักของพระมิ่งมงกุฎปุรณะสากยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีชื่อว่าโคตมะในอนาคตเหมือนพระพุทธเจ้าพัฒนาว่าโคตมะในปัจจุบันในการนิเทศเนี่ขอชื่อด้วยไม่ใช่ขอเพียงแค่เป็นพระุทธเจ้าอย่างเดียวนะเจ้าชื่อเนี่ยโคตมะโคตดิละพระพุทธเจ้าปัจจุบันชื่อว่าโคดมนะใช่ไหม เป็นไงยมฮะอ๋ออยากจะนัดยาเอ้าอาตมาหยุดให้ยอมนัดยาก่อนหนึ่งนาทีโอหิวจัดแล้ว พระบรมศา ส, สดาทรงสดับคำปราถนานแล้วทรงส่งอนาคตานขยานรุ่ไปในอนาคตสำรวจดูพบว่าในอนาคตเนี่ยอีก13าอสงไขยแสนกับมีกับหนึ่งชือ พ, พัทธรกับซึ่งมีพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้น5พระองค์พระราชาจากักรพรรดิพระองค์นี้จากได้ตัดสรุ้เป็นพระเจ้ามีนามว่าโคตมะ เหมือนชื่อของพระตถาคตในปัจจุบันนี้ก็ตรัสว่าขอถวายพระพรถ้ากันนั้นขอให้มหาบาพิษบำเพ็ญพุทธการรกธรรมทาที่เป็นทําให้เป็นพระพุทธเจ้าเถิดเห็นไหมนี่ไม่ได้พยากรณ์นะคือถ้าคุณจะปรารถนาใช่ไหมตอนนั้นพระเจ้าส่งอาณาคตังคยานวิ่งฟุบไปข้างหน้าไปอีกอสิบสามส่งไข่ อีกแสนกับรู้ทันทีว่าท่านผู้นี้จะเป็นแน่ถ้าไม่ถ้ามุ่งมั่นจริงๆแต่ยังไม่พยากรณ์เพียงก็บอกว่าเออถ้ามหาบพิษปราถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็จงบำเพ็ญพุทธการกธระทำนะคําว่าพุทธการกระทแปลว่าทำที่จะทําเป็นพุทธเจ้าคืออะไรอะบารมีสิบอุปปารมีสิบปารมาธบารมีสิบใช่ไ้มทานังศีลังว่าไปทําบ ทานบารมีศีลบารมีเนคขมะพวกเราได้บําเพ็ญบ้างยังเนี่ยทานบารมีได้บําเพ็ญไหมบำเพ็ญหรือยังศีลบารมีเนคขมะบารมีบําเพ็ญหรือยังอันนี้เป็นเนคขมะไหมเนี่ยเป็นเนาะปัญญาบารมีบําเพ็ญหรือยังวิริยะบารมีเพียนแก้วกล้าบําเพ็ญหรือยังขันติบารมีบําเพ็ญหรือยัง สัจจะบารมีพูดจริงไ้มทำจริงไหมจริงใจหรือเปล่าพูดจริงทาจริงจริงใจ่ะใช้ได้บางคนพูดจริงทำจริงแต่ไม่จริงใจที่ใช้ไม่ได้เลยตกไปเลยย้อนบานคนพูดจริงั้ยพูดจริงหรือเปล่าพูดจริงหรือว่าทำจริงไหมจริงใจไหมโอเคใช้ได้แล้วสัจจะอธิษฐานบารมีแปลว่าอะไร โอ้ oh, ยอมอ้อนวอนทุกวันยอมอ้อนวอนทุกวันเลยไหมพอมาตอนหน้าพระเจ้ากก็ยะตบารมขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขขอให้อายุยืนขอให้ลูกกลับเนื้อกลับตัวขออย่ามีโรคภัยไข้เจ็บอธิฐานบ่อยไหมแบบนี้อันนี้เป็นอธิษฐานบารมีไหมยอย่างนี้เ็เรียกร้องขอรอผล อธิษฐานก็แปลว่าตั้งใจว่าจะทําอะไรให้สําเร็จก็ไม่ถอนความตั้งใจอธิษฐานแล้วทําไม่ใช่อธิษฐานเสร็จแล้วไปนอนรอผลอธิษฐานแล้วทําเช่นเช่นตั้งใจว่าจะบวชให้ได้ห้าวันแม้มีเหตุการณ์อะไรมานั่นคืไม่ถอนความตั้งใจ จะต้องทำให้ได้อย่างที่ตั้งใจให้ได้มีไหมข้อนี้มีหรือไม่มียอมนัดยาวละกี่ครั้งวละกี่ครั้งหลายครั้งนะต่อไปจะนัดเพียงแค่วละสามครั้งได้ไหมกี่ครั้งดี อ่าแล้วแต่ความอยากอ้าวต่นี้ต่อนะงั้นบำเพ็ญพุทธกาลธรรมเนี่ยอธิษฐานบา ร, รมีเมตตาบา ร, รมีแล้วก็อุเบกขาบา ร, รมีบัอุปบาป ร, รมีสิบรมิตบา ร, รมีสิบแล้วก็มหาปริจาค่าห้าเป็นต้นด้วยแม้จะได้เห็นพระเจ้าในชาติ น, น, นั้นจริงแต่ก็ไม่ได้บริบูรณ์ได้ธรรมะสโมโภธาท่านก็ บ, บำเพญ็ญต่อมาเรืเ่อยๆจนเมื่อได้ทรงสดับพุทธวาจาแล้วก็เพิ่มปีติ หลังจากได้รับกำลังใจพระเจ้าเนี่ยท่านก็ปลื้มปิติว่าท่านบอกว่ามหาบพิตรถ้าปรารถนาจะเป็นพระเจ้าก็ให้จงบำเพ็ญพุทธกาลและกะ ร, ระทำนะทําที่เป็นพระเจ้าพอได้ยินคําพูดอย่างนี้หูชื่นใจเสมอเหมือนหนึ่งวันพรุ่งนี้เราจะได้เป็นพระเจ้าแล้วคิดอย่างนี้นนขนาดนั้นเออใครทำความรู้สึกได้ขนาดนั้นไม่ธรรมดานะวันพรุ่งนี้เราจะพ้นทุกข์แน่วันพรุ่งนี้เราจะพ้นทุกข์แน่ คิดขนาดนั้นนะคนที่เขาปรารถนาจะพ้นทุกข์เขามีกำลังใจมุ่งมันเหมือนอะไรเหมือนคนที่เหมือนคนที่เขามีความรักกันเนะี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้สำเร็จแน่วันพรุ่งนี้เราจะได้แต่งงานแน่วันพรุ่งนี้จะได้แต่งงานแน่มาคล้ายๆอย่างนั้นยอมเคยคิดถึงขนาดนั้นไหมรุนแรงขนาดนั้นไหมวันพรุ่งนี้เราต้องมีลูกอะไรกันโอ้บางคนอยากจะได้ลูก จอไหมแล้วอันนี้ท่านวันพรุ่งนี้เราจะได้ตัดสรุ้ต่อจากชาตินั้นไปตในครั้งนั้นเมื่อพระองค์สิ้นพระชนแล้วได้ได้ฌานสมาบัติไปเกิดในพรหมโลกด้วยนะเนี่ยบำเพ็ญลักษณะอย่างนี้เจอพระเจ้ามา387สนดเจพพระองค์เริ่มตั้งแต่ปุราณนะสักยมนุนีสัมมาสัมพุทธเจ้านี่9าอสงไขแสนครับเมื่อเกี่ยวกับพระบารมีสอง ขั้นระหว่างต้นเนี่ยนะระหว่างแรกกับระหว่างหลังเนี่ยความปรารถนาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยในช่วงระหว่างเจ็ดอสงไขกับเก้าอสงไขเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอนิยตะโพธิสัตว์คือเป็นพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่แน่นอนว่าจะได้ตัดสู้เป็นพุทธเจ้าหรือไม่เห็นไหมตั้งสิบหกเนี่ยยังไม่แน่นอนเลยนะอันนี้ความพูดถึงความยาก ของการเป็นพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่เป็นความยากของการบรรลุตามพระพุทธเจ้าพวกเราเนี่ยนับว่าโอ้โยไม่รู้จะบุญขนาดไหนแล้วไม่ต้องขนขวา ย, ยอมรู้ไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยคนที่อยู่ประเทศจีนเนี่ยเขาศรัทธาอยากจะไปศึกษาคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเขาต้องเดินทางจากจีนลอนแลมเดินอ้อมเทือกเขาอิมาลัย เพื่อจะมาชมภูทวีปเนี่ยต้องใช้เวลาสามปีถึงจะสามารถเดินทางไปถึงดอยมากถ้าไปกันพันคนเนี่ยจะตายตายประมาณเก้าร้อยคนจะมีชีวิตเหลือประมาณร้อยคนเท่านั้นในสิบเปอร์เซนต์แต่เขาก็มุ่งมั่นที่จะไปฝ้องพระเจ้ากันแต่ทุกวันนี้ยอมมองคิดดูเนี่ยพระเจ้ามาประทับตรงนี้แล้วในฐานะแห่ง อุเทศิกะเจดี บ, บ้างในฐานะเหน็นพระธรรมบ้างเราแค่ออกจากบ้านมาตรงนี้ไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยนั่งรถมาด้วยซ้าไปแค่นี้แต่ยังไม่ค่อยอยากจะมาศึกษาคําสอนกันแล้วเข้าใจไหมร้องเนี่ยในยุคที่สบายเนี่ยเป็นยุคที่น่ากลัวที่สุดเพราะมนุษย์จะเฉยชาแล้วก็ไม่กระตือรือร้นแล้วก็ประมาทแล้วก็ฟั่นเฟือเลือนหลงไม่เห็นโทษไม่เห็นคุณของพระทเจ้า ในยุคก่อนอามาเนี่ยบวชมาในบ้านนอกไม่มีคําสอนไม่รู้จะไปอ่านที่ไหนไม่รู้จะไปศึกษาที่ไหนต้องเดินน่ทางจากเพชรบูรณ์มาเดินไปด้วยนะพี่โลกจากพี่โลกก็เดินไปเรื่อยนู้นไปแปดเลี้วเพื่ออยากจะหาอะไรหาคําสอนเดินจะทั่วประเทศ ไม่อย่างยอมนะอย่างยอมนี่โอ้สบายเกินใช่ไหมแต่ก่อนจ๊จะหาสำนักที่จะเรียนนี่ก็ยากแล้วเพราออยากจะรู้คําสอนของพระเจ้าเนี่ยยากนะกว่าจะมาเข้าใจคําสอนแล้วมานั่งเล่าให้โยมฟังเนี่ยไม่ง่ายเลยต้องถามจันทวีดูดิใช่ไอยู่โน่นท่านอยู่ระยองโน่นเนี่ยดันโดนมาจากสุพรรณ น, นู่นไปถึงอเมริกาเนี่ยดูดิลำบากไลยล่ะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายใ น, น, นยชีวิตเนี่ย กว่าจะได้คําสอนมากว่าจะได้อะไรมาได้ข้อมูลความรู้มาสอนโยมเนี่ยเสี่ยงชีวิตทั้งนั้นเลยโยมเสี่ยงตายว่างั้นเถอไม่ใช่เสี่ยงเป็นนะเสี่ยงตายมันรอดมาได้ยังไงไม่รู้มันน่าจะตายกันไปแล้วได้ซ้ําไปเนี่ยไอ้กว่าจะได้คําสอนมันยากอย่างเงี้ยไม่เหมือนเนี่แต่โยมนีสบายเลยไม่ต้องไปขวนขวายมาเมื่อไหรก็ได้พระท่านก็สอนพระท่านก็สอนมันยากอย่างนี้ ทีนี้อย่างยากของเราเนี่ยถือว่าน้อยถ้าเทียบกับพุทธเจ้าไม่ได้ขี้เล็บเลยพุทธเจ้ายากมากต้องสละชีวิตในอินเดียในยุค ก, ก่อนก็จะมีเสาโศกปักเขาไว้เขาบอกที่ตรงนี้พุทธเจ้าเคยสละพาเนตรแจกให้เป็นทานหนึ่งพันชาติ โอ้โห uh, มาเกิดที่ตรงนี้แล้วแล้วเลว่ามาที่นี่ก็ควักพระเนตให้เป็นทานควักพระเนตให้เป็นทานควักพระเนตให้เป็นทานเนี่ยตอนสมัยเป็นพระเจ้าสิงวิราชเนี ind, ่ยโอ้โหควักตายเป็นทานควักตายเป็นทานจนพระเจ้าโศกต้องปักเสาโศกไว้อเขียนไว้เนี่ยที่ตรงเนี้ยเคยมาสละ พ, พระพรพเนตรพระโพธิสัตสละพระเนตให้เป็นทานมาแล้วพันชาตินี่ขนาดนั้นนะไอ้ที่ไม่บันทึกไว้ในในโลกนี้อีกเท่าไหร่ที่มันเคยมาควักดวงตาให้เป็นทานกว่าจะได้มาซึ่งสัมมาสัมปวิยา มองออกไหมลโอ้โหกว่าจะได้มาซึ่งสัพพัญญูกว่าจะตัดสรู้เปิดวิจาเยนั้นต้องลำบากลำบนขนาดนั้นใช่ไหมล่ะถ้าบรรลุธรรมดาไม่ยากนี่แต่ถ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องอยากคุณต้องกลา้าเห็นไหมหนึ่งคิดในใจเจดสองเปล่งวาจาใี9เกเป็น16อสงไขยจนถึงมาเจอพระธีปังกรสัมมาสัพพุทธเจ้า ที่ท่านเป็นสุเมธดาบทนี่แหละที่เราเห็นภาพโดยทั่วๆไปอะน้อยมากก็จะทําไว้ในศารากา ร, รเรียนก็มีในอุโบสถก็มีเป็นภาพที่พระโพธิสัตวท่านนอนถวายอัฐภาพให้พระธเจ้าให้พระธเจ้านั้นอย่าได้ท้าพระบาทของพระเจ้าอย่าได้เปื้อนโคลและฝุ่นเลยจงเหยียบไปศีรษะบนแผ่นหลังข้าพระองค์นี่เถอะเท้าของพระทหารสี่แสนรูปอย่าได้เปื้อนโคลและฝุ่นเลยจงเหยียบไปจนแผ่นหลังข้าพระเจ้า เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขข้าพเจ้าขอถวายอัตภาพนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชามนุษย์เทวดาพรหมทั้งหลายจงรู้ว่าข้าพเจ้าเนี่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าขอให้มนโนรัความปราถนาข้าพเจ้าจงสมฤทธิ์ผลจงสมปรารถนาด้วยเถอดพระเจ้าก็ชี้พระหัตต์ดูก่อนท่านพวกทั้งหลายท่านจงดูชดินเนี่ยบอกชดินเนี่ยที่มีตะบะรุ่งเรืองนอนคว่ำหน้าถวายอัตภาพเป็นพุทธบูชาแด่พระตถาคตเนี่ย เนี่ยท่านผู้นี้นับจากนี้ไปเสียสงขายยิ่งด้วยแสนมหากับจะได้ตัดสรุเป็นพุทธเจ้ามีนามว่าโคตมะวพางั้นเจอโอ้พอปยากรอย่างนั้นตื่นเต้นไหมตื่นเต้นปาโมดปีติปสัสสทธิขนลุกชูชันงชื่นใจมาโอ้ยเราจะเป็นพุทธเจ้าแล้วอะไร้ยแล้วพระเจ้าก็เวียนพร้อมที่พิกษุษสองก็เวียนประทักสินสามรอบแล้วก็โยนดอกไม้บูชาแล้วก็จาริกจากไป ท่านก็นอนขึ้นนอนแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งจมดิ่งอยู่ในห่วงของปีติเหมือนจมดิ่งอยู่ในทะเลทะเลเพลิงของปีติปราโมดปีติปัิสธิสุขสมาธิโลดเล่นในใจชื่นใจมากก็กับพิจารณาพุทธการกธรรมใช่ไหม พ, พิจารณาทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมารปัญญาวิรยิยะขันติสัจจอาิิฐานเมตตาเบขาบารมี นึกว่าบา ร, รมีเหล่านี้อยู่ที่ไหนเนอะทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกหรือทิศเบื้อง ต, ต่ําเบื้องสูงพิจารณาไปแล้วไม่มีไม่เห็นบา ร, รมีเหล่านี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ในตนนี่แหละว่างั้นเถอะทานก็อยู่ในนี้ศีลก็อยู่ในเนี้ยเราจะขับเคลื่อนบทเราจะหมุนบา ร, รมีเหล่านี้โอ้โหพระท่านหมุนบา ร, รมีภายในแผ่นดินสะทกสะทานหวั่นไหวเลยขนาดนั้นนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วท่านประชมเหตุที่ท่านได้รับพุทธบุตรยกรท่านประชมุม ธรรมสโมทานแปดประการไงบอกว่ามนุสตังริงคสัมปติเหตุสธาระดสนังปปัชากุณสัมปติอธิการโรจะชันดตาอัทธดัมมาสโมทานาอาพินิหารโรสมิชตีบอกว่าธรรมสโมทานแปดประการนนหนึ่งความเป็นมนุษย์ 2ก็คือได้เพศเพศชายเนี่ยต่อมาก็มีอุปนิสัยสมบัติในการที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาตินั้นแลได้พบพระเจ้าด้วยได้บรรพชาอุปสมบทด้วยบริบูรณ์ด้วยคุณเคื่อพิน ญ, ญาหสมาบัติ8ด้วยและกระทําการสละอันยิ่งใหญ่ก็คือกล้าสละชีวิตถวายเป็นพทธบูชาได้จริงๆด้วยแล้วก็มีชันท่าอุตสาหะในการที่จะบําเพ็ญพุทธการะธรรมเนี่ยนะเนี่ ย, ยตอนปลายจะเป็นอย่างนี้ ได้รับพยากรว่าจะได้ตัสสรู้เป็นพระเจ้าตั้งแต่นั้นมาอีกเสียสงขา ย, ยิ่งเลยแสนมหากับโอ้โหผ่านพระเจ้ามาอีกยี่สิบเจ็ดพระองค์รวมเบ็ดเสร็จ ต, ตรงนี้ก็คือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านถ้ามองถึงในด้านของหลังจากได้รับพุทธพยากรแล้วเนี่ย พระโพธิสัตว์นั้นน่ะท่านก็เข้าป่าจเจริญฌานไม่เสื่อมไปบังเกิดในพรหมโลกพระพุทธเจ้าที่บางกรพยากรเป็นองคแรกแล้วก็สำหรับองคสุดท้ายที่พยากรพระพุทธเจ้านั้นก็คือพระกัตสปะพระพุทธเจ้า น, นะเสวยตอนนั้นพระองคเสรวยพระชาิเป็นโชติปาละแมตรงนี้ไอามาจะไม่เล่ารายละเอียดเยอะพระชาิสุดท้ายที่พระองคได้รับพยากร ตอนนั้นท่านเป็นโชติปาระมีเพื่อนชื่อว่าคติการะสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าออคติการะนี่เป็นผ้านาคาเป็นเป็นเป็นโยมเลี้ยงดูมาดาบิดาตาบอดโชติปาระเนี่ยเป็นเพื่อนยังไม่มีครอบครัวก็เป็นเพื่อนข้อผาสมาคมกันแต่คติการะเนี่ย ศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากเพราะเป็นพานาคามีใช่ไหมดูแลพ่อเลยไหมมีอยู่วันหนึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคติการะเนี่ยปรารถนาอยากจะชวนโชติปาละไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่โชติปาระไม่เชื่อไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อว่าสัมมาสัมโพธิญาณจะได้มาโดยง่ายก็ปฏิเสธแล้วก็ตำหนิ ตำหนิว่าสัมมาสัมพธิธยานจะได้มาง่ายแต่ที่ไหนไม่เชื่อเนี่ยไอ้ปากที่พูดแบบนี้เป็นการไปหมิ่นไปปัทธสลายสัมมาสัมพธิธยาณเขาให้เข้าใจไหม น, นี่นะี่จิตที่คิดดูหมิ่นพูดเนี่ยประโยคที่พูดก็ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ใจที่คิดหมิ่นไอ้เจตจํานงตัวเนี้ยมันมีปัญหามันเป็นอักศ ร, รกรรมหมิ่นอะไรไม่หมิ่นไปหมินสัมมาสัมปวิยานยุ่งเลย ตอนนั้นคติการะก็เลยหาอุบายบอกเอะถ้าชวนไปเฝ้าพระเจ้าไม่ไปงั้นชวนไปเที่ยวน้ำตกดีกว่ายอมถ้ามีคนชวนยอมไปเที่ยวทะเลก็ชวนมาบวชเนี่ยเขาออกค่าใช้จ่าย ใ, ให้ทั้งหมดยอมจะมาบวชก่อนหรือไปทะเลก่อนฮะ เรชวนไปเที่ยวดีเวอแล้วไปเที่ยวยอมไปเที่ยวที่ยอมชอบเที่ยวมากกับชวนยอมมาบวชยอมจะเลือกอันไหนอย่างยอมก็ต้องไปเที่ยวอยู่แล้วใช่ไหมคนชอบเที่ยวนี่เหมือนกันคติตะการาชวนโชติบาระบอกว่าไปเที่ยวน้ําตกเออไาเที่ยวอย่างนี้เออไปที่แรกบอกจะไปเฝ้าพุทธิย่าไม่เอาใช่ไหมก็ไปเที่ยวน้ําตกก็ไปอาบน้ําดําผุดดาว่าอยู่ ทีนี้ตรงที่นาบน้ำตกนั้นน่ะอยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้าประทับอยู่คติการาก็บอกว่าสหายพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ๆตรงนี้นี่เองไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากันก็เพ่งเปล่งวาจามาปฏิเสธไม่พอบอกว่าสัมมาไม่เชื่อสัมมาสัมโพวิยาณจะได้ง่ายแต่ที่ไหนไม่เชื่อไม่เชื่อว่าจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นไม่เชื่อว่าจะได้มาสัมมาสัมปวิยาณจะได้ง่ายๆ จิตที่คิดโดมิ่นครั้งที่สองครั้งที่สาแบบนี้โอ้โหบาปมากเลยเนี่ยโอ้โหกติกาล่าเห็นเพื่อนเนี่ยเออสักบาปใหญ่แล้วเว้ยทำไงดีวะขออภัยเนะยมาใช้คำว่าว่าเนี่ยถอนขอถอนคำนี้ <c oughs> ใช้มือจับมวยผมคนอินเดียไอคนโบราณนี่เขาชอบกล้าวมวยผมผู้ชายก็เหมือนกันนะก็ <c oughs> จับมวยผมดึงกระชากขึ้นมาเลยลากถูขึ้นมาเลย ถ้ามีใครสักคนหนึ่งไปอาบน้ําแล้วจับผมยอมแล้วดึงลากขึ้นมายอมจะโกรธเขาไหมเอาเป็นยอมยอมโกรธไหมโกรธไม่โกรธโกรธไหมโกรธ อ, อยู่แล้วเพราะยอมเป็นคนเป็นคนอะไรเป็นคนขี้โกรธแต่โชติปาระเป็นคนหนักด้วยเหตุผลไม่ใช่คนขี้โกรธท่านฉุกคิดปุ๊บเลยนะว่าเอ้ยคบกับเพื่อนมาเป็นสามผิดสิบปีเพื่อนไม่เคย เพื่อนอยู่ในตระกูลต่ำกว่าเราด้วยฐานะนอนดอนอะไรก็ต่างก็แย่แย่กว่าเราด้วยแต่ทําไมเพื่อนทำอะไรกเราอย่างเงี้ยไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยบุคคลที่เพื่อนจะพาเราไปเฝ้าเนี่ยต้องไม่ใช่ธรรมดาเน่ยขนาดจับศรีรษะเราลากขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาใจยังเนี่ยคิดเนี่ย ค, คนมีปัญญาถ้าอย่างเราก็โอ้โหเป็นเรื่องเลยใช่ไหมถ้าใครมีจับผมเราดึงอ่ะ ถ้ายสมมตินางฟังธรรมะอยู่เนี้ยถ้ามีคนคนนึงจะลุกขึ้นเพื่อนก็จับผมกดลงพอจะลุกขึ้นจะว่าก็กดกระแทกลงแล้วจะกรดเข้าไหมจะไปเข้าห้องน้ํากับการฟังธรรมเราจะเลือกอะไรเลือกอะไรอ่ะเห็นไหมเ <laughs> <laughs> พราะเราไม่ไม่ไม่ไมนักแน่นในธรรมะแต่คนบางคนเขาจะชื่นใจโอ้โ oh, ห oh, <spe ech> er> เพื่อนหวังดีกับเราเหลือเกินจับหัวเราก็แทกเป็นสามครั้ง เพื่อต้องการให้เราเคารพธรรมะอู้ยจะชื่อใจอยู่พอไปเห็นพระพุทธเจ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตกตะลึงเลยพอไปเห็นมหาพุริสระขณสามสองปานุวัตัญญา8ป8สามแน้ำตาไหลร้ลองไห้เลยขอขมาเลยโชติปาระขอขมาพระพุทธเจ้า ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าตีเตีย น, นในที่ข้าพเจ้ากระทาแล้วในพุทธเจ้าขอพุทธเจ้าปลดงดซึ่งโทษวงเกิน น, นั้นเพื่อการสํารวมระวังในพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในการต่อไปแต่กรรมที่ทําแล้วเป็นไงทําแล้วนะพอขอขมาพุทธเจ้าแล้วกรรมบาปนั้นหายไปเลยไหมหายไม่หายเพียงว่าบาปไม่เดินต่อมันหยุดไม่เดินต่อไปอีกแต่บาปรกรรมนั้นส่งผลเพราะ พระเจ้าของเราในปัจจุบันพบไหมส่งผลอะไรรู้ไหมทําให้พระโพธิสัตว์ของเราต้องบําเพ็ญทุกกรกิริยาอยู่เจ็ดปีเดอหกปีเขาไปเห็นไหมนั่นแหละที่หลงทางอยู่หกปีเพราะอะไรเพราะคําพูดตรงเนี้ยเนี่ยเพราะปากนี่แหละเนี่ยพออาปากกปากเนี่ยต้องระวังไว้นะชอบวิจารณเนี่ยยมเป็นไหมยังไม่ทันคิดอะไรเลยวิจารณ์แล้วได้ข่าวพระบ้างอะไรบ้างสรารพัดวิจารไปก่อน เนี่ยไอ้ปากแบบเนี้ยต้องระวังเนี่ยเหมือนไงขนาดบริษัทมีสติสมัมปชัญญะขนาดนั้นยังต้องเจ็บปวดเพราะปากตัวเองเลยเข้าใจยังเอาตอนนี้หลังจากได้รับพุทธภยากรย้อนกลับไปสรุปก็คือเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีตรอนตอนต้นตอนกลางและตอนปลายเนี่ยตอนต้นตอนกลางและตอนปลายนะสามตอนเนี่ยนะสามช่วง ได้พบพระพุทธเจ้ามาทั้งหมดเคยผ่านพระเจ้ามาทั้งหมดกี่องค์ห้าแสนหนึ่งมืสองพันยี่็ดพระองค์เยอะไหมน่ะเนี่ยกว่าจะได้เป็นพทะเจ้าหนึ่งพระองค์นี่นะต้องผ่านพระพุทธเจ้ามาห้าแสนหนึ่งมืสองพันยีพระองค์เมื่อได้เป็นเนี่ยตาโพธิสัตว์ได้รับพุทธบยตรกรจากพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจึง นีน้ำใจประกอบไปด้วยพุทธภูรรมเรือมีความนั่งเนี่ยหนึ่งอุตสาหะเนี่ยตาโพธิสัตว์เนี่ยซึ่งได้รับพุทธภยากรอย่างพุทธเจ้าแล้วย่อมสมาธานอุตสาหะพุทธภูลพุทธพุทธภูรธรรมนี่นะพยายามยังจิตของตนเองให้เกิดกุศลอุตสาหะมีความเกล้วกล้าอาถานก้าวไปใจสู้เนี่ยยิ่งขึ้น ในทุกๆอัตภาพที่เกิดพลังแรงมากอุตสาหะแรงมากยิ่งมีพลังมากขึ้นมากขึ้นทุกอัตภาพที่เกิดความมุ่งมั่นบากบั่นก้าวไปใจสว้ไม่เคย ถ, ยถอยถอยลงมาเลยนะทุกวันทุกวันเพิ่มขึ้นเรื่อยยอมลองย้อนดูตัวโยมนะวันแรกที่นับถือพระเจ้าที่รู้จักพระเจ้ามันเพิ่มขึ้นไหม ศรัทธาเพิ่มขึ้นไหมเพียรเพิ่มขึ้นไหมสติเพิ่มขึ้นไหมสมาธิปัญญาเพิ่มขึ้นัหมอุสาหะหรือมันลดลงลดลง ถ, ถ้ามันสวนทางลดลงแปลว่าสารวันเตี้ยลงนี่แย่นะอย่างนี้นถือว่าแย่มากๆเลยมันต้องเพิ่มขึ้นอุสาหะเกล้าเนี่ยมันต้องมีพลังมากขึ้นเป็นอย่างนั้นไหมโยแอ่อย่างงี้นะอุสาหะสองอุมมัตตอุมัตตะนี่ก็แปลว่า หลังจากได้รับพยากรณ์และย่อมสมาทานอุมัตรธรรมหรือพุทธธรรมเนี่ยพยายามยังจิตของตนเองให้ประกอบด้วยปัญญาอุมตตานี่แปลว่าปัญญาให้มีปัญญาที่เชี่ยวชาญหานกล้าเชียบแหลมปัญญายิ่งเด่นขึ้นชัดขึ้นรวดเร็วขึ้นวิจิตบันจ o ขึ้นละเอียดอ่อนมากขึ้นรู้ชัดรู้ลึกรู้กว้างรู้โดยประการและต่างๆรู้รอบ ปัญญายิ่งคมก้าเฉียบแหลมมากขึ้นไม่ใช่ยิ่งนับถือพระเจ้าปัญญายิ่งน้อยลงน้อยลงไม่ใช่ปัญญายิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มเพมยอมเพิ่มขึ้นไหมบวชปีที่แล้วกับบวชปีนี้ปัญญาเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นใช่ไหมเออใช้ได้ถ้ามันลดลงนี่แปลว่าใครผิดยอมใส่ใจผิดยอมแสดวการฟังขก็ยมมีปัญหาแล้ว มีปัญหาแน่นอนต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในทุกทุกวันในทุ ก, ท, กทุกอัตภาพที่เกิดประการที่สามอวัตานะสมเด็จพระเนืยตาพธิสัตว์เมื่อได้รับพยากรณ์จากพระเจ้าแล้วย่อมสมาทานอาวัตานะพุทธการะกธรรมอย่างจิตของตนเองให้ประกอบไปด้วยอธิษฐานความมั่นใจให้มีความมั่นคงตรงซื่อไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนในการสร้างพุทธบารมีตลอดทุกวัน ทุกอัตภาพที่เกิดโอ้โหตอนนี้ยอมมั่นใจตัวเองมากขึ้นไหมคอนแคนไหมเนี่ยตอนนี้ยิ่งบำเพ็ญบา ร, รมียิ่งมีความมั่นใจมัน่นคงไม่คอนแคนตั้งมั่นไม่หวั่นไหวโอ้โหพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคที่มันจะถมเข้ามาทุกด้านไม่ย่อและทอ้อเลยเป็นไหมแล่ะยอมท้อไหมถ้าท่านอาจารย์ก็บอกว่าวันนี้ สวดมนต์สองชั่วโมงตื่นเต้นเลยบอกโหนี่ขอสองชั่วโมงครึ่งได้ไหมว่างั้นนะสองชั่วโมงเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่สะใจสองชั่วโมงครึ่งแล้วก็บอกสองชั่วโมงครึ่งขอสามได้ไหมอะไรเงี้ยอิมุขสมุติอธิษฐานมันมีพลังมีพลังมากเหมันนั่งกรรมฐ า, านเนะี่ยบางคนนั่งได้สามได้สามสิบนาทีหลับสะเประงกแล้วใช่ไหม บางคนไปนั่งสับประหกงื้อกงักงืก ง, กงกแต่บางคนนั่งจิตสงบนิ่งดิ่งในอารมณ์เดียวตั้งมั่นไม่หวั่นไหวสุขสมานัดเกิดขึ้นโอ้ยมีความสุขแล้วเกิดสามชั่วโมงประดุจดังแว้บเดียวเองมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่ท้อปวดยังไงก็ไม่ท้รอร้อนยังไงก็ไม่ท้อหนาวยังไงก็ไม่ท้อโอ้ยมีจิตใจมุ่งมั่นมาเป็นแบบนั้นไหมโย่ นี่เขาเรียกว่าอาวตารนะประการที่สี่หิตะจริยาก็แปลว่าสมเด็จพระ น, นิจตพโพธิสัตว์ซึ่งได้รับรัตยาเทศคือรัตพุทธภยรกรแล้วย่อมสมาทานหิตะจริยาพุทธธรรมพยายามยังจิตของตนเองให้ประกอบไปด้วยเมตตายังจิตของตนเองให้ประกอบไปด้วยเมตตารักปรารถนาดีเอื้อทอน ยังจิตของตนเองให้ประกอบด้วยกรุณาสงสารที่จะช่วยพ้นทุกยังจิตของตนเองให้ประกอบด้วยมุทิตาปรารถนาดีพรอยนินดีกับผู้อื่นที่ได้ดียังจิตของตนเองให้ประกอบไปด้วยอุเบกขาความวางใจเป็นกลางโอ้โหเนี่เดินพรมวิหารและทชัดยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่ใช่เมตตาแค่ตัวเองเมตตาจากตัวเองอย่างลึกซึ้งแล้วแผ่แผเมตตาไปยังสัตว์ทั้งหลายบุคคลทั้งหลายโอ้โหแผ่ไปจนถึงทั้งโลกทั้งจักรวาลเลย นี่ขนาดนี้นะถามบอกว่าเนี่ยทำอยู่เนืองนี้ตลอดทุกชาติที่เกิดถามว่าแค่นี้พอไหมไม่ยังเพิ่มไปด้วยหนึ่งภาวนาสี่สัพพะสัมภาระภาวนาต้องบำเพ็ญบารมีทุกอย่างโดยไม่มีการละเว้นไม่ใช่บอกเอ้ยบำเพ็ญทานบารมีพอศีลไม่เอาไม่ใช่เลย ทั้งทานบารมีก็เอาศีลบารมีเนคขมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจทิฏฐานะเมตตาบากเบิกขาบารมีไม่มีเว้นสักบารมีเลยในทุกอัตภาพในทุกวันเดินบารมีได้ทุกวันทุกข้อเดินเดินเดินเดินเดินเดินไม่ย่อและท้อในการบำเพ็ญบารมีมีความสุขในการขับเคลื่อนทานศีลเนคขมมะไม่ยมจะเดินยังไงวันละสิบบารมียมจะเดินได้ยังไงมีปัญหาไหมมีไม่มีมีใช่ไหม อยากจะรู้ไหมบาเพ็ญยังไงสมมติมีหนังสือเล่มนี้วัตหนังสือเล่มนี้เป็นวัตถุทานได้ไหมได้หรือไม่ได้เป็นวัตถุที่ควรให้ได้หรือไม่ได้ได้ไหมอา้าวตอบมาซิได้ไม่ได้อยากได้ไหมนี่ทํามจักกระบอกูตส่สุใครอยากได้อา้าวลุกมาเอาเอา่าลุกมาเลยยกเองด้วย ยอมข้างหลังยกแล้วมีมีเล่มเดียวนะมีเล่มเดียวใครเป็นคนยกก่อนมเมื่อกี้อ๋อยอมยกก่อนเลยอ้อาวเนี่ยโอ้โ ห, โหปฐมเทศนาธรรมจากกบฏน่าสุดและนัตตลกน่สูตรเ น, น, นี่ยนะพร้อมด้วยคำแปลด้วยเอาไปสวดเป็นทํานองนะยอมนะเวลาสวด น, นะเนี่ยเวลาสวดสวดอย่างเงี้ยยอมเนี่ย อนุตรังอภิสัมโพทิงสัมปุจิตวาตถาคโตสวดอย่างเงี้ยมยมนะสวดได้ไหมเวลาสวดเวลาสวดนี่ก็เนี่ยสวยดเป็นธรรมดองเนี้ยเอวัมเมสุตังเอกังส ม, มยังภะคะวาบารานสิยังวิหรารติอิสิปะตะเนมิกธตาเย ตระโคภควปัญเวากีเยพิโูอามนเตศีทเวเมพิกกเวอันตาปปจิเตนนเวิตาพากตเมทเวโยจายังกามเอสุกามาสุขลิกานุโยโคฮินกรมโมปุุชนิโกอนาริโยอนาทสานิโตโยจายัง อตากิรามธานิโยโคดุโคอนาเรโยอนาทัศนิโตเนี่ยส่วนเนี้ยอา้าวให้นี่เป็นวัตถุทานหรือยังเป็นหรือยังเป็นวัตถุทานใช่ไหมเนี่ยวัตถุที่ควรให้ในขณะที่ให้วัตถุทานวัตถุทานอย่างเดียวเป็นทานได้ไหมต้องมีเจตตำนงเจตจำนงจิตที่คิดจะให้ด้วยไหมนั่นแหละเจตนาทานคือจิตที่คิดจะให้ ให้ด้วยความตัดขาดสลาขาดให้เพื่อให้แบบไม่เสียดายด้วยการให้ในลักษณะนี้เป็นทานบารมีหรือยังเป็นไม่เป็นให้แบบเข้าใจนะไม่ใช่ให้ลําเอียงเพราะรักเป็นต้นให้แบบสลาขาดไปดุดดังเด็ดดวงใจยื่นให้จริงๆไอ้กรณีนี้เป็นทานบารมีแล้วแล้วก็การให้อย่างนี้เพื่อเป็นปัจจัยการกําจัดกิเลสและกองทุกขเนี่ยเนียเป็นทานบารมีนะแล้วเป็นศีลได้อย่างยัง เป็นจารีตศีลเป็นประเพณีที่หมู่อริยชนทั้งหลายประพฤติปฏิบัติกันมาพอมีความรู้ความเข้าใจเราได้ทําข้อวัดปฏิบัติได้มีการให้ตามอริยะประเพณีที่เขาได้ให้แล้วเนาะเป็นไหมเป็นศีลไหมประเพณีที่หมู่อริยชนทั้งหลายที่มีการให้กันมาให้วัตถุทานให้สิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ เป็นข้อวัดปฏิบัติที่พระโสดาบันสกอาธานาคาพระสารท่านทํากันมาไหมนั่นหละประเพณีวัฒนธรรมที่ทํามาแล้วเรามีความรู้ความเข้าใจเราจะรักษาวัฒนธรรมประเพณีเจริญวัฒนธรรมประเพณีนี้เพื่อให้กายวาจาใจเรียบร้อยดีงามไม่มีบาปปัจจุบัและกรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายมาแทรกซึมเป็นอาชีพดําเนินสู่อาชีพที่บริสุทธิ์หมดจดเป็นปัจจัยสู่ปราโมดปิติภัสนทิสุขและสมาธิอย่างนี้เป็นต้นถามว่าเป็นนี่ยังเป็นศีลนี่ยังเป็นศีล เอเป็นเนคขมะ ต, ตอนไหนเนคขมะมีสอย่างใช่ไหมเนคขมะสังกปะการคิดออกจากกาม้สีเสียงกินรสของหนังสือเป็นต้ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นวัตถุกามนะเราไม่ติดข้องในวัตถุกามไม่ติดข้องเราไม่ใช่แค่สละวัตถุชิ้นนี้เท่านั้นเราเม้แต่สละอัตภาพถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระเจ้าด้วยแล้วเราจะไม่โกรธยังเมตตใจเกิดขึ้นด้วยแล้วจะไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นยังกรุณาในใจเกิดขึ้นด้วยเป็นเนคขมะาหรือยัง นเน่ฆัมมะสังกปะอัพยาป่าธาสังกปะเาอาวิหิงสาสังกปะนี่เป็นสัมมาสังกปะนี่เป็นเน่ฆัมมะบา ร, รมีนะเป็นปัญญาบา ร, รมีรู้เหตุรู้ผลรู้ฉลาดในการคิดเราจะให้เพื่อประดับประดับตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตพัฒนาจิตไปสู่ศีลสู่สมาธิสู่ปัญญาที่รู้เห็นตามความจริงเป็นปัญญาบา ร, รมีหรือยังเป็นแล้วเพียนบากบั่นก้าวไปใจสู้ว่าเราจะไม่หยุดในการที่จะให้เราจะเพียนพยายามกําจัดกิเลส บุกฝาเราจะกำจัดว่ากิเลสความหดหู่ท้อถอยเราจะกำจัดไปเราให้แล้วจะยังความอาถรรพ์ล่าเริงให้เกิดขึ้นเป็นวิริยะแล้วเราจะมีความอดทนตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่ให้บาปอากเสและทำมันชั่วร้ายทั้งหลายมากุ้มลุมจิตใจเป็นกัณฑ์บา ร, รมีเราพูดว่าจะให้แล้วก็ให้ทําจริงพูดจริงแล้วก็มีความจริงใจเป็นสัจจะบา ร, รมีไหมเราอธิฐานบอกว่าเรามีวัตถุสิ่งของใดๆเราจะสละเราจะให้ให้หมด เราจะไม่หยุดในการกระทําเบี้ยเท่านี้เป็นอธิษฐานบารมีมีจิตเมตตาปราถนาขอให้คนที่รับของไปหรือบุคคลทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญเป็นเมตตาบารมีวางใจเป็นกลางไม่เลือกที่รักไม่ผักที่ชังไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทำทำให้จิตของตนเองกระแสชีวิตตนเองได้สมถตาได้ดุนยภาพนะไม่ลําเอียงเพราะรักความโกรธหรือไม่ดําเรียงด้วยความหลงไม่ดําเรียงด้วยความกลัวใจนั้นมีความเป็นกลางดิ่งเที่ยงตรงและเที่ยงธรรมวางใจเป็นกลางนี้เป็นต้นเป็น อุเบกขาบารมีได้ยังเห็นไหมให้วัตถุชิ้นเดียวถ้าพัฒนาวิธีความคิดมันเป็นการฝึกบารมีสิบได้ในชีวิต จ, จริงนี่เขาเรียกว่าอะไรสัพพะสัมภาระภาวนาคือจะต้องมาเป็นบารมีทุกอย่างโดยไม่มีการละเวน้นแม้สระของชิ้นเดียวก็พัฒนาวิธีคิดไปจะถึงอุเบกขาบารมีได้เห็นไหมไม่ได้หยุดแค่ให้ให้แค่นี้ไม่ใช่พัฒนาขจัดกิเลสออกได้จริงด้วยพัฒนาวิธีคิดให้เป็นบารมีแต่ละข้อได้หมดเลย กรณีอย่างนี้เเรียกเข้าใจในการบําเพ็ญบารมีเขาใหอย่างยากไม่เล่ายากเอาไปฟังบ่อยๆสองนิรันตระภาวนาคือต้องบำเพ็ญบารมีทุกชาติโดยไม่มีระหว่างขั้นตลอดสี่อสมขายยิ่งได้แสนมหากั้นิรันตระภาวนานี่สงสัยมากคือสำคัญมากคือว่าเวลาบำเพ็ญบารมีเนี่ยทุกวันบําเพ็ญทุกวันวันนี้บําเพ็ญพรุ่งนี้หยุดอาทิตย์นี้บําเพ็ญอาทิตย์หน้าหยุด เดือนนี้บําเพ็ญเดือนหน้าหยุดปีนี้บําเพ็ญปีหน้าหยุดชาตินี้บําเพ็ญชาติหน้าหยุดห้ามไม่เป็นนิรันตราภาวนาจะไม่ติดต่อพ้นทุกได้ได้ช้าหรือไม่หรือไม่ก็ไม่ได้บ้นทุกเลยคนที่จะเป็นพุทธเจ้าเป็นพุทธสาวกเป็นพระปฏิเจพระเจ้าเป็นพุทธสาวก ท, ทั้งหลายนี่เข้มข้นมากแล้วติดต่อทุกวันวันหนึ่งนึงก็คิดตลอดวันนี้จะบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีเนกธมะได้บำเพ็ญหรือยัง ท่านในไม่ได้บําเพ็ญทานบารมีเป็นต้นจะไม่ยอมเอาอาหารใส่ปากจะให้ก่อนแล้วกินที่หลังเราทําอย่างนั้นไหมสมาทานอย่างนั้นไหมเราพวกเราให้ทานก่อนแล้วกินที่หลังตื่นขึ้นมาอยู่กับใครอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับปู่ตายายายอยู่กับพี่น้องทั้งหลายตักน้ําว่าตักน้ําเอาหนูกินน้ํานะพ่อกินน้ํานะแม่กินน้ํานะดื่มน้ําก่อนนะเอาไปตักวางวา ง, วา ง, วางไว้เสร็จเราทํากินของเราแล้วก็มาดื่มที่หลัง นี่เขาเรียกว่าให้ทานก่อนแล้วกินที่หลังทุกวันให้ทานเป็นศีลได้ด้วยเป็นเนชข ม, มา่าได้ด้วยเป็นปัญญาวิริยะคันติสัจจะที่ฐานนเมตตาเวขาต้องไปตึกไปค่อยๆควนไปวิจัยแยกแยะเองนะตอนนั้นนะอย่างที่บอกไว้เน่ะไม่เข้าใจกลับมาถามอาจารย์ทวีท่านถามย้า ว, วาท่านเข้าใจไหมย่ยา ว, วาท่านจะได้เออมาอยู่ตั้งนานแล้วยังมีคนมาถามหน่อยทังนั้นไม่มีเลยมีแต่ถามเรื่องอื่น มาถามท่านบ่อยๆท่านจะได้โอ้โหท่านได้ตื่นเต้นโอ้โหมาอยู่ในแวดวงอย่างนี้ตื่นเต้นเหลือเกินมีแต่คนอยากจะพ้นทุกข <laughs> <laughs> ์นี่นี่่รันตระภาวนาก็จะ ย, ยังไม่ให้มีระหว่างขั้นบําเพ็ญทุกวัน <laughs> เราเคิกว่ามันยากที่ไหนละน้ําแก้วเดียวเป็นทานบารมีได้ไหม ได้ไม่ได้มันอยู่ที่เข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจมันไม่เป็นต่อให้ยกบ้านให้ลูกทั้งหลังมันก็ไม่เป็นบารมีถ้าไม่เข้าใจยกทรัพย์สมบัติที่เก็บมาทั้งชีวิตให้ลูกให้หลานให้ปู่ตายายๆมันก็ไม่เป็นมันจะเป็นคือต้องเข้าใจ 1. นึ่งมีเจตนาที่จะให้สองมีปัญญารู้และเข้าใจไอ้ตรงเนี้ยพูดกันยากตรงไอ้เข้าใจนี่แหละเข้าใจเข้าถึงนี่แหละมันสาคัญตรงนี้นี่แหละ ที่มนปฏิบัติธรรมะกันไม่ได้เพราะมันไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจแล้วมันปฏิบัติให้เข้าถึงคุณธรรมนั้นๆไม่ได้ตรงนี้แหละมันเป็นปัญหามากมันปฏิบัติไม่ได้มันรู้สึกมันได้แต่อะไรล่ะได้แต่รูปแบบมันก็ติดอยู่นี่แหละพวกเราเป็นคนดีกันหมดเลยนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีไม่ใช่อามาบอกโยอมเป็นคนไม่ดีนะแต่เป็นคนดีที่ต้องพัฒนาต่อไม่ใช่ดีอยู่แค่นี้ถ้าดีอยู่แค่เนี้ย น้าข้านะาข้านะเดี๋ยวดีมันแตกใครเป็นคนดีแตกไม่ยอมโกรธขึ้นมาเลยเวลามีนคนด่าคนว่าโกรธใช่ไหมต้องพัฒนาให้เข้าถึงความดีจริงๆให้ได้สัมผัสความดีได้ให้ความดีกระทบเข้าถึงจิตใจได้จริงๆนี่นิรันตรภาวนาสามจิระการาภาวนาคือจะต้องบาเพ็ญบารมี ถ้าเป็นพทธเจ้าเนะี่ยประเภทปัญญาธิกานะให้ติดต่อและต่อเนื่องไม่พอนะต้องครบกำหนดสี่สงขขยยิ่งด้วยแสนมหากับถ้าไม่ครบเป็นไม่ได้ขาดวันเดียวก็ไม่ได้อย่าว่าจะเดือนปีวันเดียวก็ไม่ได้ก็ใหญ่ยัยยงสังเกตดยที่เวลาพระโพธิสัต์ท่านออกบวชก่อนปุ๊บหออกบวชยี่สิบเก้าตัสรุสามสิบห้าวันเพขึ้นสิบห้าาเดือนหกดูสิเนะี่ย ถ้ายังไม่ครบได้ไม้มไม่ได้ฉะนั้นต้องให้ครบเสียสงขายยิ่งด้วยแสนมหากับต้องให้เป๊ะเข้าใจคำว่ า, าเป๊ะมพอดีพอดีอด่ะเขรกกีรา ก, กีราการะภาวนาคือต้องบำเพ็ญบารมีเสียสงขายยิ่งด้วยแสนกับโดยไม่ย่อหย่อนแม้แต่กับเดียวแล้วก็แม้แต่วันเดียวเด เราทํามาครบแล้วเนี่ยบอกงั้นเหลืออีกวันเดียวจะครบแล้วแล้วรีบตัดสรุป ก, ก่อนเลยไม่ได้ต้องให้ครบเป๊ะพอดีพอดีงั้นนะยากไหมการเป็นพุทธเจ้ายากไหมเนี่ยการได้มาซึ่งสัมมาสัมโพทธิยาณยากเมื่อเราเจอสิ่งที่ยากเราควรจะรักพระพุทธเจ้าไหมเราควรจะศรัทธาพระพุทธเจ้าไหมเราควรที่จะมอบกายถวายชีวิตแต่พระพุทธเจ้าไหม เราพร้อมหรือยังถ้าพร้อมมันต้องรู้จักพระพุทธเจ้าจริงๆถ้าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าจริงๆมันก็เดินวนสากันอยู่นี่แหละมไม่เข้าอาบน้ําสีทีมันก็ไม่ได้ความเยือกเย็นไม่ได้ความสะอาดกิเลสในใจก็ยังรกรุงรังอยู่นั่นแหละเข้าใจไหมครับฉะนั้นถ้าพร้อมขึ้นมาเอาละเราอุตส่าห์เกิดมาแล้วเดี๋ยวเราลมให้ใจขาดซะก่อนเดี๋ยวเราตายซะก่อน ชีวิตนี้เราได้มีโอกาสได้เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจอพระธรรมกับสอนพระเจ้าขอเข้าถึงแม้ในส่วนของทานศีลเนคขมมะปัญญานี่เขาเรียกว่ากิรากาลภาวนาก็คือว่าต้องขาดไม่ได้ประการสุดท้ายคือสักกัจจะภาวนาคือจะต้องบําเพ็ญบารมีด้วยความเคารพคือทําให้เป็นของหนักไม่ใช่สักแต่ว่าทําสักกัจจะกขาแปลว่าเคารพเคารพคืออะไรไหม เคารพคือทำด้วยความเต็มใจบำเพ็ญบา ร, รมียมบำเพ็ญด้วยความเต็มใจไหมเต็มใจไหมบางคนสักแต่ว่าทำทำด้วยความจริงใจเต็มใจใช่ไมทำประดุดดังว่าด้วยความนอบน้อมด้วยความเคารพจริงๆเราต้องการบูชาพระพุทธเจ้าจริงๆต้องการบำเพ็ญบา ร, รมีเราัก ทำด้วยความเคารพแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าทำด้วยความยำเกรงยำเกรงด้วยนะ<ม> ย, ยกตัวอย่างเนาะเ อ, อเวลายอมเอาอาหารมาถวายแด่สงสมมุตินะเอาอาหารมาถวายท่านเจ้าวาดยอมรู้ว่าเออท่านเจ้าวาดนี่ยเป็นไขมันสมมุตินะมีไขมันในเลือดสูง ยอมก็เลยเอาอาหารที่มีไขมันมากๆเอาต้มพะโล้ขาหมูสมมุติเงี้ยนะเอาไปถวายท่านกรณีอย่างนี้ชื่อว่ายำเกรงไหมเคารพไหมอ่ะครับอย่างนี้ก็เรียกไม่เคารพเพราะว่าเป็นการให้เพื่อไปอะไรทำให้ร่างกายของท่านต้องทำงานหนัก ร่างกายของท่านต้องทํางานหนักไตต้องทํางานหนักตับต้องคันงานหนักหัวใจต้องทํางานหนักปอดเอ่ยอวัยวะในร่างกายต้องทํางานอย่างหนักเลยต้องโอ้โหเพรางั้นเถอต้องทํางานอย่างหนักต้องซุดซ้อมจากการอาหารที่โยมให้ไปไอ ก, กรณีอย่างเงี้ยเขาเรียกไม่ยําเกรงไม่ยําเกรงในสงถ้ายําเกรงคือให้ถืยความเคารพให้ด้วยความยําเกรงก็คือว่าอาหารนี้เป็นประโยชน์ ที่จะทำให้คุณภาพชีวิตคุณท่านดีด้วยเมื่อท่านได้คุณภาพชีวิตที่ดีแล้วท่านจะได้เจริญศีลสมาธิปัญญาท่านจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอายุยืนยาวท่านจะได้เป็นหลักในการนาพุทธธรรมคาสอนพุทธเจ้ามาบอกแก่พวกเรา <S <S <S อู้ยางนี้ก็เลยเคารพและยาเกรงนี่เลเป็นภาระที่เราต้องเข้าใจการให้แบบนี้มันเป็นบรารมีก็จะยังถ้าไม่เข้าใจแบบนี้มันไม่เป็นบรารมีอีกเยอะมากอ้าว ถ้าเป็นศีลล่ะวิธีการนะถ้ายอมมาทาหน้าตาขึงขังทาโกรธทาอาการทาอาการไม่เคารพกระด้างกระเดืองเป็นเหตุทําให้จิตของท่านเศร้าหมองให้ท่านโหทูอันนี้ก็ไม่เคารพก็อย่าอย่ายงเค ย, เค ย, ยเคยทำไหแล่ะยอมเคยทําไหมทาหน้าตาทําหน้าตาเครียดโกโรธใส่สามีเคยทําไหม เออนั่นแหละเขาเรียกว่าคนไม่มีศีลเขาใอย่ยังไปทำให้เขาทุกใจทำให้เขาเครียดทำให้เขาโกรธทำให้เขาวิตกกังวลเนี่ยเขาเรียกไม่เป็นบา ร, รมีวิธีการก็ไม่ทำแบบนั้นพวกเราเนี่ยต้องมาปรับพื้นฐานวิธีอยู่คลองเดือนกันใหม่หมดเลยนะจริงๆแล้วเคยเคยใช้คำพูดพูดแล้วให้เขาเจ็บใจไมล่ะใช้ใช้ปากเป็นห อ, อกแทงเขาใช้ปากเป็นห อ, อกแทงเขาเคยไหม นี่จะพูดได้ฟังว่ามันไม่เป็นศีลไม่เป็นสัมมาวาจาเพราะสัมมาวาจารหนึ่งพูดคำจริงสองเป็นประโยชน์สามถูกการถูกบุคคลถูกเวลาสี่พูดด้วยเมตตาไม่ใช่พูดทิมแทงเขาเวลาโกรธเหพูดใหญ่ธรรมะไหลออกมาจากไหนก็ไม่รู้แต่เวลาเมตตานั่งเงียบเขาห้าม อ้าวมีใครอยากจะถามแล้วไหมนี่ามาครับเล่ามาจบพอสมควรเลยนะในเรื่องบารมีเนี่ยต้องการให้เราเห็นคุณของพระสาัมมาสามัมพุทธเจ้านะ อ, าอะไรนะมไม่เกิดปรินี้ผานก็แปลว่าไม่ต้องเกิดอีกแล้วก็มไม่เกิดอีกแล้วพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด อ, อ๋อยมไม่อยากเกิดใช่ไ้ย ไม่ห่วงโลกเลยไม่ห่วงหลานเลยไม่ห่วงบ้านเลยถ้าปรินินพันแล้วใครจะอาศัยบ้านล้วบ้านเราก็จะไม่มีคนอยู่อ๋อให้คนอื่นนะก็ไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดอ๋อกรงล้อธรรมจักร คงล้อทำมจากจะเป็นกรุวงวงกลมใช่ไหมในนั้นก็จะมีซี่แซี่บ้าง12บ้างถ้า8ก็หมายถึงอริยมรตมีองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวจาสัมมากรรมิตาสัมมาชีวสัมมาวิยารสัมมาสติสัมมาสมาธินี่คงล้อหมายความว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยหมุนกงล้อแห่งธรรมะก็คือหมุนย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือสตาวิทยาสติสมาธิปัญญาหมุนเข้าสู่กระแสชี่อทั้งสัตว์ทั้งหลาย กงองล้อแห่งธรรมที่พระเจ้าไปหมุนกงองล้อแห่งธรรมก็คือเทศบอกกล่าวแสดงเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายได้มีหลักในการดําเนินชีวิตไปตามศีลสมาธิปัญญาหรืออริยมรรค ม, มีองค์แปนั่นแล้วก็หมุนกงองล้อแห่งธรรมจักกะแปลว่าหมุนหมุนธรรมะเข้าสู่กระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเริ่มตั้งแต่ท่านอัญญาโกลัญญาเป็นต้นทุกวันนี้กงล้อนั้นก็ยังหมุนอยู่ในกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เขาดําเนินไปตามมัชฌิมาปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญาอยู่ แต่พวกเราจะสามารถเอากรงล้อมแห่งธรรมมาหมุนในชีวิตได้หรือไม่อันนั้นอยู่ที่ความเข้าใจของแต่และบุคคลเนาะมีใครอยากถามอะไรไหมไม่มีแล้วเนะเาะอ้าวไม่มีแล้วก็สมควรแก่เวลาแล้วขออนุมโมทนา กับญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ฟังธรรมะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรอามาจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะและวยมจะได้ชื่นใจก่อนจะจบเนี่ยมีมีพัะเทระรูปหนึ่งในยุคพันเออในยุคประมาณห0ร้อกว่าปีเนาะท่านก็นจาริไป ไปแถวตักศีลาแถวเนี่ยท่านก็ไปเห็นไอ้เจ้ายอมคนหนึ่งกำลังตีลูกชายไตใหญ่ตบตบตบเ ต, ตียด่าลูกกันโง่เหลือเกินไม่รู้เรื่องเรียนไม่ทันเขาด่าพระท่านเดินเดินไปเห็นท่านา ย, ยิ้มพระท่านก็ยิ้มอะทำไมถึงยิ้มอะ เออพระท่านยิ้มเขตที่ยิ้มเพราะอะไรรู้ไหมยิ้มปุ๊บยมอุบาสกเหตุยอมเห็นก็โกรธพระว่ายิ้มยอะท่านทําไมเป็นพระมายิ้มย่อยอมแบบนี้โอ้โหเป็นเรื่องเลยพระก็เลยถามว่าโยมไปตีเด็กเขาทําไมบอกเด็กโง่ไม่ฉลาดเขาบอกว่าเนี่ยต้นตระกูลเขามาสืบทอดกันมาหลายชั่วยายุคนเนี่ยก็มี รูปปรม า, าปรม า, าจาร์ท่านหนึ่งเหมือนอาจารย์ที่สาปาโมกฉลาดมากเรียนสัพพะวิทยาอย่างมากมายมากกว้างขวางเราก็อยากให้ลูกหลานของเรากเก่งกาดแบบนั้นจึงพยายามเคี่ยวเข็นทบตีพระก็เลยบอกว่าโยมให้เด็กคนนี้บวชเถิๆรู้ไหมในอดีตเด็กคนนี้เป็นใครไม่รู้ครับ นั่นไงก็รูปปั้นนั่นแหละแต่ก่อนก็เป็นอาจารย์ที่โด่งดังในชีวิตมัวแต่ศึกษาทางโลกสพภพวิชาต่างๆวิชาดวงดาววิชาหากินวิชานับคะแนนวิชากฎหมายวิชารายการก่อสร้าง ร, รู้หมดแต่วิชาในการดําเนินชีวิตมันไม่รู้มันเกิดมามาใช้บุญเก่ากินบุญเก่าจนหมดหรือบุญเหลืออยู่นิดวนเวลามาเกิดใหม่มันเลยมาเกิดเป็นเด็กโง่งไงไม่ฉลาด ไม่รู้จักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องฉะนั้นถ้าให้มันเป็นมันเป็นค า, าธรรมดามันโง่ใหญ่ว่าน้นเถอะให้บวชเสียแล้วก็เลยเล่าให้ฟังว่าอา น, นิสงส์แห่งธรรมะมันยิ่งใหญ่นะอยิ่งใหญ่ยังไงท่านก็เลยเล่าบอกว่าเนี่ยมีอยู่ตรงที่ไม่ไกลเนี่ยมันมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งตอนนั้นก็มีอุบาสกยศผู้ชายสองสามคนเดินมันเดินทางกันลอนแลมไปเนี่ย พอไปถึงตรงนั้นมันก็มืดพอมืดเสร็จแล้วก็เลยเอาไม้มาก่อไฟผิงกันมันหนาวไงอากาศมันเย็นมากหน้าหนาวเนะี้ยก่อไฟผิงพอก่อไฟปุ๊บเนี่ยเอควันควันไฟเนะี่ยมันก็ปุบเข้าไปในนั้นแหละในโพรงไม้ใหญ่ๆนั่นแหละไอ้ในนั้นมีอะไรมีข้างคาวห้าร้อยตัวทีนี้ตอนพขาก่อไฟเสร็จปุ๊บอุบาสกนั้นก็สวดมนัสวดมนั่นวะ กุศาธรรมากุศลธรรมาปยกตาธรรมาการธรรมากุศาสมิงสมัยเอกามาว่าจรังกุศลังสวดสวดพระพิธรมเนี่ยสวดไล่ปแล้วก็สวดปฐฐานเลยนะเหตุัวเหตุสมยิติการดมานางตังสมุทฐานานันจารูปานางเหตุปเยนปยรูปายณะนังจักภูญาาเยไล่ไปตามดับเลยนะสวดคำพีปฐฐานปโอ้รั้งข้าวก็ฟังได้ยินเสียงที่ไพเราะทั้งทั้งที่สัตว์ฉาญมันรู้เรื่องไหมมันรู้หม ไม่รู้แต่มันตื่นเต้นมันเกิดปีติปีติในธรรมไม่ยยอมบอกว่ า, วารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงเน่ความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงเกิดปีติปลาโมดขึ้นมาจากการได้ยินเสียงนกทั้งห้าร้อตัวพร้อมใจกันไม่ยอมออกจากออกจากโพรงเลยตั้งใจฟังอยู่อย่างนั้นเน่ฟังฟังฟังด้วยปีติฟังจนสำลักควัน ตกลงมาตายกันหมดเลยแล้วต่อมาเป็นไงในสังสารวัฏเนี่ยต่อมาอีกห้าร้อยตัวเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเด็กโตขึ้นมาฉลาดมากปราดเปรื่องมากแล้วมาบวชบรรลุกันหมดเลยแล้วตอนพอระกนิษการาชากนิษกะมหาราชเนี่ยทำสังขยาครั้งที่สใน500รรูปเนี่ย 5้ารยูปได้ถูกคัดเลือกไปเป็นผู้ไปสาทยายอภิธรรมปิดกแล้วก็เล่ายอ ม, มรู้ไหมอัตมาไม่ใช่คนเก่งกาดอะไรนะแต่หนึ่งในห้าร้อยรูปนั้นคืออัตมานี่แหละพอพูดเสร็จปุ๊บท่านก็เหาะไปต่อหน้าต่อตาหายวับไปเลยเรื่องนี้ต้องการให้ยอมได้เพราะว่ายอมฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไร แต่ให้ยอมฟังให้เกิดความปามโมดปีติเกิดความชื่นใจใยอมมันมีอานิสงส์มากการฟังธรรมะแม้จะฟังเป็นภาษาบาลีไม่รู้เรื่องยิ่งมาฟังภาษาไทยยอมรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างยอมก็โห้ได้ทั้งเยอะแล้วเก็ออ ย, ยังนั้นจะได้มีกําลังใจอล้โมทนากระยอมทั้งหลายเนาะดยอานิสงส์แห่งคุณของพระเจ้าพระธรรมปาริยสง์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 สังฆสุปฏิปติสาธุความปธิบัติดีจริงของพระสงฆ์อาโหพุทโธพระพุทธเจ้าหน้าอัศจรรย์ริงอาโหธรรมโมพระธรรมเจ้าหนา้าอัศจรรย์ริงอาโหสังโฆ พระสงฆ์าเจ้าหน้าอาจจานกิงอาหางพุทธันจะจำมันจะังคันจะสารนงำข้าต า, าพระพเจ้าถึงแล้วซึ่งพระพุทธาาทเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์าเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึง อุบาสิกาทังเทเสิสิพิคุสังคาสามุภาข้าพระเจ้าขอแสดงตนว่าเป็นอุบาสิกาในที่ชาวนาพระวิสุสงเอตังเมตลานางเขมังเอตังสลานามุตตมัง พระรัตนาัยนี้เป็นที่พึ่งอ่านกระเตรมของข้าพระเจ้าพระรัตนาัยนี้เป็นที่พึ่งอ่านสูงสุดเอตังสารนามาคามาสักะทุ ข, ขาปมุจเจโลอาศัยพระรัตนาัยนี้เป็นที่พึ่ง ข้าพระเจ้าพึงพนจากทุกข์ทั้งปวงจะาพระลังจะเลยยาหังสัมมาสัมพุทธเจ้าสนางข้าพเจ้าจัประซึ่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมควรแก่กาลัง ทุกคานิจสละนาเสวะภาพินิสังอนาคเตกาเลขอพระเจ้าพึงมีสวนแห่งรานิพานอันเป็นที่ยกตนออกจากทุกในอนาคตกาลเบื้องหน้านเดินเรอสาธุสาธุเอ้ย